อาชาปารามุปาคโตอนุตตรมหาสโคสาชาปลังนามิตังรัตมิชารหิโชตันโตมุจจรินเดมหาสเรราวิราชาวโยนาโต สันธานาหังนามิตหังหาตาวิโชคุณาทาโรราชายตนาปาทเปฮเวนิสีธิราชียาสันธานาหังนามิตังตมารเณริงหันตวา มิคาายังมหาวนางโตเสตวาุปกังขันชีมหาชินังนามามีตหังพระจอมุนีผู้ประเสริฐประดับด้วยพระรสมีก่าวคือพระฉับพันลังสีแผ่ซ่านมีบุญญาพินิหารอันยิ่งใหญ่ทรงเสด็จสู่ควงไม้อัช้าปารณิโคตรข้าพเจ้าขอนอบน้อมกราบไหว้ พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นพร้อมด้วยควงไม้อชาปารณีโคดนั้นพระนาถาเจ้าพระองค์ใดทรงรุ่งโรจน์อยู่ด้วยไข่แห่งพระศมีกาวคือพระฉัพันรังสีทรงสวยมุติสุขใกล้สานน้ำใหญ่มุจจรินดุดพระอาทิตย์จอมนักสัตว์ข้าพระเจ้าขอนอบน้อมกราบไหว้พระนาถาเจ้าพระองค์นั้นพร้อมด้วยสระใหญ่มุจจรินนั้น พระบรมศา ส, าสดาทรงกำจัดอวิชชาคือความมืดบอดทรงคุณธรรมหาที่สุดมิได้ทรงประทับนั่งด้วยพุทธสิริณักควงไม้ราชายาตนะิณะกาวคือไม้เกศข้าพเจ้าขอนอบน้อมกราบไหว้พระบรมศาสดาพระองค์นั้นพร้อมณสถานที่แห่งนั้นพระชินเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ทรงกำจัดศัตรูคือกิเลสได้หอกล่าวคืออรหัตมะขยานแล้ว ยังอุปกาชีวกให้ชื่นชมยินดีแล้วเสด็จไปสู่ป่าอิสิปตนะมฤุกขทยวันอันเป็นสถานที่ให้อภัยแก่เนื้อข้าพเจ้าขอนอบน้อมกราบไหว้พระชนฐเจ้าพระองค์นั้นด้วยความเคารพเอื้อเฟื้อขอนอบน้อมพระธรรมด้วยขอนอบน้อมพระอริยรสงฆ์เจ้าทั้งหลายด้วยขอความเจริญในธรรม จงมีแดส่สาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายที่ตั้งใจมาประพฤติปฏิบัติตามพระดรรรัชของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเราท่านทั้งหลายจงนึกเถิดว่าการนอบน้อมต่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยการฟังพระธรรมด้วยความเคารพและก็การประพฤติปฏิบัติเดินตามรอยบาทพระศาสดาของพระศาสดานั้นเป็นสิ่งที่ประเสริฐ ด, ดังที่ ท่านที่อุทานว่าข้าแต่พระองค์ผู้ประเสริฐขอนอบน้อมพระองค์ข้าแต่พระองค์ผู้ดีเลิศขอนอบน้อมพระองค์ข้าพระองค์ไม่อาจรู้พระองค์เพ่งอะไรเป็นอารมณ์หรือเปลงอุทานเจาะ จ, จงในที่รับบ้างเช่นน้โมพุทธะขอนอบน้อมแด่พุทธเจ้าหรือเปลงอุทานดึงพุทธคุณนั้นด้วยเช่นน้โมตัสสะพะระควาโตอรหัตโตสัมมาสัมพุทธะเป็นต้น การเปล่งอูทานในการนอบน้อมพระสัมมาสัมพุทธเจ้าภายหลังแห่งการพุทธปรินิพานของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผ้รหานทั้งหลายได้ยกขึ้นสู่สังคยาไว้ในพระสูตรต่างๆใช้เป็นคำน้ำสการขึ้นต้นเป็นแบบอย่างของชาวพุทธสืบต่อมาเช่นคำนอบน้อมก่อนในการที่จะรดจนาพระคมภีอย่างนี้เป็นต้น ในชั้นคำสอนของพระบระมาศาสดาทรงเห็นตัวอย่างเยอะว่าบุคคลที่นอบน้อมพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านกล่าวไว้ว่าเ <ilan> มืม่อบุคคลใดเล<ม>ื่อมใสในพุทธเจ้าและพระพุทธคุณซึ่งเป็นอจินไตยล่วงวิถีแห่งจินตการจินตนาการสําแดงมหานุพุทธานุภาพที่คาดไม่ถึงย่อมได้รับผลที่คาดไม่ถึง ฉะนั้นการที่เราท่านทั้งหลายเคารพนอบน้อมพระพุทธเจ้าด้วยการที่เชื่อแล้วก็ประพฤติปฏิบัติตามใช้ญาณปัญญาระลึกนึกถึงพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วก็เดินตามรอยบาปพระศาสดานั้นพลังอนุภาพแห่งพุทธานุภาพนั้นขาดไม่ถึงตัวอย่างเช่นเท้าส ก, กะจอมเทวราชเมื่อเสด็จไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้า ณธรรมอินทาสาระใกล้ภูเขาวเวทยยกะทางทิศเหนือแห่งหมู่บ้านพราม์ชื่อว่าอัมพศนซึ่งตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของกรุงราชคลือแฟนมคตนั้นในครั้งนั้นที่ท้าวส ก, กะไปเฝ้าพระเจ้าพเพราะท้าวส ก, กะรู้ดีว่าอีกเจ็ดวันเนี่ยตนเองจะตายตนเองจะเสียชีวิต แล้วก็รู้ด้วยว่าคติเขาตนเองที่จะไปในข้างหน้านั้นน่จะวิบัติแน่นอนหนึ่งคนที่มีบุญทั้งหลายเนี่ยก็จะรู้วันตายของตนเองเนะสาหรับคนที่มีบุญเนี่ยให้สังเกตนะคนที่มีบุญเนี่ยจะรู้ว่าตนเองเนี่ยจะตายเมื่อไหร่เหมือนทุกวันเนี่ยคนที่เขามีทรัพย์เยอะๆเวลาไปหาหมอ หมอก็จะสามารถคํานวณได้ว่าเนี่ยเหลืออีกสามเดือนจะตายเช่นโรคมะเร็งนี้เป็นต้นก็ อ, อ, อย่างนี้ต้องจัดว่ามีบุญนะมีบุญรู้ว่าจะตายแต่ไม่มีบุญอีกอย่างหนึ่งว่าตายแล้วจะไปเกิดเป็นอะไรดรมดาเทา้าสกะหรือสุพรหมเทพบุตรทั้งหลายเนี่ยที่รู้ว่าตนเองจะตายด้วยแล้วก็เห็นคติของบริวารของตอนเองเนี่ยตายแล้วไปเกิดในไบยะภูมิ แล้วก็รู้ด้วยถ้าตนเองตายเนี่ยจะไปเกิดในอายภูมิฉะนั้นการรู้ในลักษณะอย่างนี้นะเป็นกําลังบุญเป็นกําลังฤทธิ์อย่างหนึ่งนะและเป็นกําลังของวิปัสสนาญาณอย่างหนึ่งนะฉะั้นคนที่สามารถรู้คติของตนเองได้ 1. รู้ว่าตนเองทํากรรมอะไรและกรรมที่ตนเองทํานั้นจะยังปฏิสนธิในภพภูมิต่อไปอะไรนี่คือกําลังของคนมีบุญคําว่ามีบุญในที่นั้นปัญญาก็เป็นชื่อบุญ โดยเฉพาะวิปัสนาปัญญาทั้งหลายถ้าใครมีวิปัสนาปัญญาระดับนี้จะสามารถรู้จุติปฏิสนธิรู้ว่าตนเองจะตายแน่แล้วรู้ว่าตายแล้วเนี่ยด้วยกรรมที่ตนเองยังทำอยู่เช่นอวิชชาคือความมืดบอดทึ่เคยทำร่วมกับเจตนากรรมนะสังขารกับกลุ่มกรรมนี่แหละตันหาคือยางเหนียวอุปาทานคือความยึดมั่นถือมั่น อกุศลทั้งหลายเหล่านี้มันยังไม่ถูกละได้ด้วยเป็นสมุทเฉธาประหารเมื่อกิเลสในใจสัตว์ยังมีอยู่และคติของสัตว์นั้นก็ไม่แน่นอนแต่คนที่ทำยานปัญญาระดับวิปัสนาญาให้เกิดได้ท่านผู้นั้นจะรู้คติของตอนเองเอายอมที่นั่งกันอยู่เนี่ยถ้ายอมรู้ว่าในคติพบข้างหน้ายอมจะเกิดเป็นสัตว์นรก ถามว่ายอมจะอยู่เฉยไหมถ้ารู้ว่าในคติพบหน้าเบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตกเนี่ยเราจะเข้าถึงอบายทุกติวิธิบาสนรกคือเราจะเข้าไปเกิดเป็นสันนรกถามว่ายอมจะมัวอยากได้ไข่ดีในทรัพย์สมบัติทุกปัจจุบันไหมยังอยากจะไปเที่ยวยังอยากจะไปทำกิจธุระอ ย, ย่างอื่นอยู่ไหมมันไม่มีนะเพราะเรารู้ว่า ข้างหน้าเนี่ยเราจะเกิดเป็นสัตว์โลกหรือเรารู้ว่าเราจะไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานหรือเรารู้จะไปเกิดเป็นเปรตหรือไปเกิดเป็นอสุรกายถ้าเรารู้ว่าคติข้างหน้าเราเนี่ยไปไม่ดีแน่นอนเชื่อไหมว่าเราจะทิ้งการงานทุกอย่างบุตรเราก็จะไม่ห่วงภรรยาเราก็จะไม่ห่วงสามีเราก็จะไม่ห่วงสถานภาพใดๆก็จะไม่ห่วงเหมือนเท้าสกาดเนี่ย ท้าสกาดเนี่ยไม่มัวห่วงใครแล้วห่วงตนเองอย่างเดียวไปเฝ้าพระเจ้าตั้งหลายครั้งพระเจ้าก็ไม่เปิดโอกาสยิ่งทุกข์ไหมเท้าสกาดทุกข์มากท่านเดือดร้อนมากเลยพอไปเฝ้ามีอยู่ครั้งหนึ่งท่านก็ไปรอพระเจ้าก็เข้าสมาบัติอยู่พอพระเจ้าไปเข้าสมาบัติอยู่ท่านร อ, อยังไงพระเจ้าก็ไม่ออกจากสมาบัติ ที่นนางเทพทิดาที่อยู่ใกล้ๆตรงนั้นน่ะถวายงานพัดพรพุทธเจ้าอยู่คอยเฝ้าบูชาพุทธเจ้าอยู่เท้าสกะก็สั่งสั่งเทวดานี่แหละบอกว่าถ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าออกจากสมาบัติให้กราบทูลพระพุทธเจ้าแทนเราด้วยว่าเราเนี่ยท้าสกะจอมเทพเนี่ยมันรอพระพุทธเจ้าตั้งนานแล้วแต่พระพุทธเจ้าไม่ยอมออกจากสมาบัติมาพบ แล้วบอกว่าและจะหาจังหวะมาเฝ้าใหม่พอกลับไปเท้าสากัดก็ไปวางแผนไม่ใช่วางแผนอย่างอื่นแล้ววางแผนว่าทำยังไงจะเฝ้าพรเจ้าแล้วพวะเจ้าจะแสดงธรรมทีนี้ในบรรดาการการคิดเนี่ยท่านก็คิดว่าหรือชะลอยว่าเราจะไม่มีอุปนิสัยเป็นแน่แท้ เข้าใจใช่ไหมเอเราคงไม่มีอุปนิสัยในการที่พระเจ้าจะโปรดอยากกันนั้นเลยเราจะเกณฑ์ประชากรในสวรรค์ชั่นดาวดึงไปให้หมดเหมือนเดินขบวนไปเลยเอย่างและประชากรในจาตุมหาลาชิกาด้วยฉะนั้นก็เลยนำพาประชากรทั้งสองโลกสองโลกก็คือสองประเทศ ยมคิดว่าจะเยอะไหมเมื่อหืมานะแต่บรรดาประชาชนทั้งหลายไม่เห็นก็จะเห็นเพียงแสงสว่างแค่ น, นี้เท้าสกกะมาเฝ้าพรธเจ้าที่ทำอินทสารละณอัมพศนี่แหละเหตุผลที่มาอย่างนั้นก็เพราะว่าในบรรดาประชากรทั้งสองประเทศเนี่ยจะต้องมีสักคนที่มีอุปนิสัยที่พรธเจ้าจะทรงปโปรด ฉะนั้นเราก็จะอาศัยฟังจากที่พระเจ้าแสดงโปรดคนอื่นนั่นแหละเราจะได้อานิสงส์จากการฟังด้วยถามว่าการฟังธรรมเป็นเรื่องยากไหมโยงยากหรือง่ายอ t o r y อมว่ายากหรือง่ายยอมว่าการฟังธรรมเนี่ยยากหรือง่ายอ่การหาโอกาสได้ฟังธรรมเนี่ยยากหรือไม่ยากยอมว่ายากหรือไม่ยากฟังธรรมที่ถูกเนี่ยยากหรือไม่ยาก ยากโดยส่วนใหญ่เราจะฟังธรรมที่ไม่เป็นพระธรรมเนี่ยเยอะเพราะพระธรรมที่ไม่ค่อยถูกเนี่ยโดยมากฟังแล้วมันจะถูกใจเราหรือไม่ถูกมันจะถูกใจแต่ถ้าฟังธรรมที่ถูกเนี่ยถูกต้องเนี่ยจะถูกใจหรือไม่ถูกใจจะไม่ค่อยถูกใจเราบางครั้งก็แค้นเคืองบางครั้งก็แค้นเคืองว่าทาไมไม่ตรงอย่างที่ใจเราคิด เท้าส ก, กาเนี่ยเห็นไหมว่าอยากปลาธนาจะฟังทำเนี่ยต้องเกณฑ์คนมาอาศัยอานุภาพของความเป็นพระเจ้าแผ่นดินนี่แหละก็มามาแล้วไม่มาเปล่าให้ปัญจาสิกขาคนทันเทพพบุตรเนี่ยไปดีดพินบูชาถวายรายงานพระศาสดาเพื่อจะได้มีโอกาสในการเข้าเฝ้าปัญจาสิกขาคนทันก็ถือพินนาหน้า หถือพินเหลืองๆนี่แหละเข้าไปก็ไปดีดพินถวายเป็นพุทธบูชาใครมีศิลปะแบบไหนเข ก, ก็บูชาพระพุทธเจ้ากันน่ยนะแล้วต่อมาเท้าสักกาก็จะมีโอกาสพ่อพระพุทธเจ้าทําไมต้องมางั้นพวกตนเองใกล้าตายแล้วตนเองใกล้าตายและรู้ว่าคติไปไม่ดีแล้วคนเด็ก พอหลังจากได้จังหวะแล้วเท้าสกาก็เข้าไปเฝ้าพระเจ้าพอเข้าไปเฝ้าพระเจ้าก็บอกข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์หาโอกาสจะเฝ้าพระเจ้ามาหลายครั้งแล้วแต่พระเจ้าไม่เปิดโอกาสเมื่อครั้งก่อนข้าพระเจ้าไปยืนรอเฝ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอยู่เป็นเวลานานแต่พระองค์อยู่ในสมาบัติคงไม่ทราบข้าพระเจ้ายังสั่งนางเทพธิดาไว้เลย ถ้าพระบรมศาสดาออกจากสมาบัติแล้วเนี่ยขอรายงานด้วยว่าเท้าสกัดจอมเทพมาเฝ้าไม่ทราบว่าครั้งนั้นน่ะพระบรมศาสดาเนี่ยยังจาได้อยู่หรือไม่พระบรมศาสดาก็ดูก่อนเท้าสกาัดจอมเทพมหาบาพิตรมาในครั้งนั้นน่ะตอนเพลาล้อกระทบกระทบกระล้อเนี่ยการเพลาล้อกับไอ ดุมล้อกระทบกันเนี่ยเพลากะดุมกระทบกันเนี่ยเสียงเพลากะดุมกระทบกันเนี่ยทำให้ตถาคตออกจากสมาบัติก็คือว่าพทธเจ้ารู้เหตุผลตอนนั้นทำไมพทธเจ้าจึงไม่โปรดเอ้าตอนนั้นทำไมพทธเจ้าจึงไม่เทศทำไมไม่โปรดก่อนตอนนั้นน่ะยอมอ่านออกไหมยอมเดาใจพทธเจ้าออกไ้มรู้พุทธประสงค์ไหม ที่ไม่เทศครั้งนั้นพอเทศไปแล้วเท้าสกะก็จะไม่ได้ประโยชน์พระองค์จึงไม่เทศแต่แต่ถ้ามามาบรรยายอย่างเงี้ยยอมคิดว่ามารู้อัธยาสัยยอมไหมรู้ไหยรู้รู้หรือไม่รู้รู้ไหมไม่รู้ <c oughs> ไม่รู้หรอกมาก็พูดไปแหละ ใช่ไหมแต่ว่าพูดเพื่อให้โยมได้อัธยาศัยฉะนั้นในวาระนี้เนี่ยเป็นวาระที่อันตรายสำหรับพวกเราหนึ่งเพราะพระพุทธเจ้าที่จะรู้พระอัธยาศัยของเรานั่ น, นตอนนี้พระองค์ปรินิพานไปหรือยังปรินิพานแล้ว ฉะนั้นเหลือแต่สาวกที่ยังไม่มไม่สามารถรู้อัธยาศัยของโยมได้เมื่อเป็นอย่างนี้โยมต้องสร้างอัธยาศัยขึ้นเองไหยนั้นโยมจะต้องตั้งใจฟังหรือไม่ตั้งใจฟังตั้งใจฟังทุกคำถ้าไม่ตั้งใจฟังโยมกายจะเสียหายเองนะเพราะว่าไม่มีระดับพระพุทธเจ้ามานั่งเทศให้เราฟังอีกแล้วใช่แต่ยังมีพระธรรมที่อยู่ในฐานะเป็นพุทธเจ้าเนี่ยที่จะคอยขับกล่อม ให้โยมได้รับประโยชน์ยังมีอยู่ทีนี้พระบระมา ศ, าศาสดาก็บอกว่าตอนนั้นนะ่ได้ยินอยู่ไม่ได้ยินไม่ใช่ไม่ได้ยินนะเท้าสา ก, กะก็เลยถามปัญหาพระพุทธเจ้าโยมคิดว่าเท้าสา ก, กะนี่ที่ท่านเป็นพระเจ้าจเป็นดินเนี่ยถ้าท่านจะตายเนี่ยคิดว่าท่านจะเสียดายทรัพย์สมบัติของท่านัหมเสียดายไหม เสียดายไอเวชยันประสาทเสียดายไหมเสียดายเวชยันประสาทเสียดายปันทุกข์มพลศิลาอาตที่ประทับเสียดายนางสนมกำนันสามโกดครึ่งโกดหนึ่งเท่าไหร่ยอมโกดหนึ่งก็คือสิบล้านสามโกดเท่าไหร่ 30ล้านและอีกครึ่งโกดคือห้าล้านก็แแพเท่าไรพระเท้าส ก, กาเทวราชมีสนมเท่าไหร่35หล้านคนเสียดายไหมถ้าคนมีนางสนมขนาดนั้นแล้วจะต้องตายหนีอ่ะเสียดายเนี่ยไอเงี้ยเขาเรียกตนีตันนีราชบัลลังตันนีสถานภาพสนีทรัพย์สมบัติสวนปาลุศกวัน สวนจิตลดาวันนี่มัสวนจิตลดาแล้วก็สวนนันทาวันที่มาจำลองมาที่กรุงเทพเรานี่แหละ <laughs> จำลองมาจากไหนจากชั้นเดาดึงยองคิดว่าเหมือนหรือไม่เหมือนเหมือนมหม <laughs> ยีงไม่เคยไปนะ <laughs> จำลองได้ก็ไม่เหมือนเดียว <laughs> จำลองได้ก็ไม่เหมือน แต่ก็เอาละจำลองเพื่อให้หน้าอยู่กรุงเทพมหานครอมรรัตรนโกศิลเมืองเทวดาเนี่ยเมืองเทวดาก็คือเมืองของเท้าส ก, กัดก็จำลองลงมาจำลองลงยอมเคยไปสวนปารุศะปารุศกาวันไม่เคยไปไหมเคยไปไหมยังไม่เคยไปน ตรงนี้ก็เท้าสก่าก็ห่วงนี่คือตนันนีทีนี้ถ้าสมมุติคนเองตายเนี่ยจะต้องมีเท้าสก่องค์ใหม่มาแทนไหมจะริษยาเขาไหมเอาโยมเนี่ยไม่ต้องถึงเท้าสก่าหรอกพูดเท้าสก่ามันไกลตัวยมไปถ้าวันนี้ยมจะต้องตายแลย้วจะมีคนมาทาหน้าที่แทนยมทุกวันนี่ยย ม, ย, ม, มยอมไหมยอมไม่ยอมอ้าวเป็นแม่บ้านใช่ไหม ถ้าจะต้องตายวันนี้จะมีแม่บ้านคนใหม่ไม่อยู่บ้านหลังนี้หว่ห ว, งหวงั้ยห่วงไหมห่วงไอห่วงอย่างนี้เขาเรียกตนีและลิษสยามัหยคนที่จะมารับหน้าที่แทนเราลิษสยามไหมพระเจ้าจึงบอกว่านี่ไงความลิษสยาและความตันีเป็นเหตุแห่งการแตกแยกก็ลองมาดูประเทศชาตินี่ประเทศชาติเนี่ยคนที่ไปอยู่บนตำแหน่งเนี่ยก็กอดอยู่นั่นไม่อยากจะลงใช่ไห ไอคนที่ไม่ยัยไม่ได้ที่ก็หาอะไรแสะใหญ่อะไยอยากอยากให้มันล้มมันห่วงเยอมนันเป็นอย่างนี้แหละเอาเหมือนอามาเนี่ยอามานั่งเทศอย่างเงี้ยถ้ามาจะต้องตายไปเนี่ยต่อมามิมหาจะมาเทศมหาอำนาจจะมาเทศแทนเนี่ยมาห่วงไหมไม่ห่วง <c oughs> เอามาไม่หวงจริงๆนะเวบานี้เหตุผลเพราะอะไรรู้ไหม อีกอย่างหนึ่งกไ็ไม่สบายเลยนะอามาไม่ชอบเลยอ่ะต้องมานั่งพูดเนี่ยอามาอย่าไปนั่งฟังอะ่ะแต่ก่อนเนี่ยอามาคิดผิดจริงจริง่ะแต่ก่อนอามาไม่เทเสธก็ดีไปนี่เนี่ยตั้งแต่แรกถ้าไม่เทศเสธมาสบายสบายามานั่งฟังเข้าไปเขาจะพูดผิดพูดถูกกัเรื่องเขาแต่ก่อนอ้อยากรู้ดีนะแล้วก็เที่ยบไปบอกเขาว่าเออที่มันไม่ถูกต้องแบบนี้ถูก เนี่ข้านี่ข้าพอมาบอกว่าถูกขึ้นมาเอาแล้วสี่ยุ่งดิตอนี้ ต, นนต้องมานั่งพูดเลยทอนนี้พูดเนี่ยโอ๊ยยันเสียงจะไม่มีแล้วนั้นไม่สบายเลยโยมคนฟังแสนจะสบายมากนโยมเนี่ยไม่ต้องทําอะไรเลยนั่งอยู่เฉยๆเอาพูดไปสิเดี๋ยวฉันจะฟังฉันจะตั้งใจฟังฉันจะทําใจชันให้เป็นบุญไม่ต้องเหนื่อยไม่ต้องเสียพลังงานไม่ต้องไปอะาธาตุในร่างกายคือาธาตุดินธาตุน้านาาําธาตุไฟธาตุลมก็ไม่แปรปวนด้วย ใชไหมล่ะไม่ต้องเหนื่อยไม่ต้องคิดถึงคําสอนไม่ต้องระลึกไม่ต้องไล่อะไรตามลำดับนั่งเฉยๆสบายมีความสุขมากเพอๆอยากจะหลับก็ไม่มีใครว่าสับผงหหลับเขเองใช่ไหมเอาอย่างมาเนี่ยเทศไปหลับไปยอมว่าจะได้ไหมได้ไหมเนาเทศไปสักพักก็หลับแล้วตื่นขึ้นมาเทศต่อยอมว่าอามาจะน่ารักไหมถ้าทําแบบเนี้ยน่ารักไหม เอ้ามาเทศเทศไปปั๊บมาก็สับสงกหลับไปแล้วก็ตื่นขึ้นมาเทศต่อยอมว่ า, ามาจะน่ารักไหมน่ารักไหมในยะเดียวกันเลยถ้ายอมนั่งฟังแล้วยอมก็หลับแล้วก็อยากตื่นขึ้นมาก็ตื่นมาฟังต่อยอมก็ไม่น่ารักนะงั้นสรุปแล้วยอมต่างฝ่ายทางทําหน้าที่ดีดีไหมเช่มั้ยเอาละยอมก็ทําหน้าที่เป็นผู้ฟังให้ดีที่สุดแล้วอะมาก็จะได้ จิตใจจะได้ไม่ว้าวุ่นดีไหมถ้ายอมนั่งหลับสักคนหรือไม่สนใจสักคนนังไงยอมคิดว่าเอามาจะจิตใจจะเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ลองคิดดูถ้าอามานั่งเทศไปหลับไปในเชื่อโยมต้องเป็นทุกข์นียสรุปแล้วต่างฝ่ายทางก็รักษาซึ่งกันและกันใช่ไหมที่การที่รักษาซึ่งกันและกันเนี่ย พูดอย่างนี้ยังไม่ถูกต่างฝ่ายต่างก็ดูแลตนเองให้ดีแล้วถึงจะสำเร็จประโยชน์คือยอมก็ทำหน้าที่เป็นผู้ฟังให้ดีที่สุดเอาผู้ฟังที่ดีก็คือหนึ่งไม่ดูหมิน่นไม่ดูหมิ่นผู้พูดสองไม่ดูหมิ่นเรื่องที่พูดบางทีไปดูหมิ่นผู้พูดเอ๊ะใครเนี่ยพระอะไรเนี่ย ไม่เห็นมีเชื่อเสียงเลยนี่เขาเลยโดหมนผู้พูดใช่ไหมสองไม่ดูมิ่นเรื่องที่พูดเอเอาเรื่องอาณาปณะมาพูดอยู่นั่นแหละเราอยากจะฟังเรื่องอื่นทำไมมาพูดแต่เรื่องนี้อย่าดดหมิ่นเรื่องที่พูดสามอย่าดดหมิ่นตนเองยอมเคยดดหมิ่นตัวเองไหมโอ้ฉันฟังไม่ได้หรอกเรื่องแบบนี้หนึ่งฉัน แก่เกินไป2ฉันฟังไม่ค่อยรู้เรื่อง 3. ฉันปวดหลังฉันไม่ชอบฟังและเรื่องแบบนี้แล้วมันไม่ถูกขจริตของฉันมันดูหมินตัวเองพุทธเจ้าบอกอย่าไปดูหมินตัวเอง 3. ก็คือตั้งจิตที่ประกอบอสีก็คือตั้งจิตที่ประกอบไปด้วยโยนิโสมนัสิการนะมนัสิการใส่ใจให้ถูกต้องในการฟัง และยอมจะสาเร็จประโยชน์นี่องค์ของผู้ฟังนะส่วนองค์ของผู้พูดเอามาไม่บอกหรอกว่ า, ามารู้อามาก็จะลำดับไปตามนะทีนี้เท้าส ก, กาดเนี่ยเท้าส ก, กาดเนี่ยพอฟังพอถามปัญหาพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็พูดถึงระบบการแตกแยกว่าความพริษยาและความดนหนีเป็นเหตุแห่งการแตกแยก เพราะวลีสยามและความตันหนีมีนี่แหละความแตกแยกก็มีมนุษย์เราเนี่ยที่มันแตกแยกกันก็เพราะถึงเนี่ยห่วงอีกอย่างหนึ่งก็ไม่อยากจะให้ใครมาได้ดีๆอย่างี้เป็นต้นพระพุทธเจ้าก็ตอนนั้นเน่ยพระพุทธเจ้าก็บอกว่าให้โอกาสแก่ท้าวสก่ามาเข้าเฝ้ามู่เทพเมื่อได้ตรัสสมโภตนีาคาถาพอสมควรแล้วพระพุทธเจ้าก็ทรงเปิดโอกาสให้ท้าวสก่าถามปัญหาหลายประการ ข่านพระ อ, องค์ทรงวิสัชนาจบตามที่ทูลถามแล้วเท้าสกะก็ทรงโสมนัสจากนั้นก็กล่าวสุภาษิตอีกหลายประการเมื่อกล่าวจบแล้วเนี่ยก็ได้แตะพระหัตถ์ลงกับบนพื้นดินแล้วก็เปล่งงูทานจริงๆครั้งนั้นเน่ยท้าสกากเนี่ยเมื่อฟังสกากปานสูตรเนี่ยท้าสกากตายหมดอายุไขพอดีเลยแต่ได้บรรลุเป็นพระโสดาบันก่อน การได้บรรลุปเป็นพระสวสดาบาลพบแล้วก็ตายเห็นไหมการตายอย่างเทวดาตายแล้วเกิดใหม่แต่ใจท่านผูกที่จะเป็นเท้าสก่าต่อตายแล้วจะเป็นต่อท่านก็ได้เป็นต่อเห็นไหมความปรารถนาของผู้มีศีลเนี่ยสำเร็จความปรารถนาของผู้มีศรัทธาความปรารถนาของภู้มีญาณเนี่ยสำเร็จแบบเนี้ยคือท่านไม่อยากละตาแหน่งนั้นตายพุบท่านก็เป็นเท้าสก่าต่อแต่คนมองทั่วไปเหมือนนั่งอยู่เงี้ยอย นั่งปุ๊บเนี่ยไม่รู้เลยว่าท่านพวกนี้ตายเพราะรูปร่างเหมือนเดิมเลยอันนี้คือสวรรค์นะปกติถ้าตายแล้วไม่กลับมาก็ร่างกายจะหายวบไปเลยไม่มีศพไม่มีศพนอนตายเหมือนคนมนุษย์ถ้ามนุษย์เราตายเนี่ยอาตั้งพวกเราถ้าเกิดตายแล้วเนี่ยมันจะหายวับไปไหมพวกเราเนี่ยหายไม่หายไม่หายแล้วนอนเหม็นเน่าอยู่แถวนี้ไม่มีใครอยู่เลยแถวนี้ใช่ไหมล่ะเพราะไม่ใช่เทวดา ไม่ใช่เทวดาตายแล้วยังเป็นภาระของคนอื่นอีกใช่ไม่ใช่โอ้โหถ้ามากันแปดสิบเก้าสิบกว่าคนเนี่ยมานอนตายตรงนี้นี่ออกข่าวหน้าหนึ่งเลยเนะนี่ยออกไหมออกข่าวหน้าหนึ่งฟังธรรมะแล้วตายเนี่ยโอ้โหแล้วต่อไปนี่สงสัยมาไปเทศที่ไหนไม่ได้แล้วก็กลัวตายกันนะีที่จริงน่าจะน่าจะดีใจใช่ไ้ย ยมว่าดีไหมพ่อฟังเทศปุ๊บก็ใจขาดตายในขณะฟังฟังเทศเลยยอมว่าดีไหมอธิษฐานไหมอธิษฐานไหมขอให้ตายในขณะฟังเทศแต่เอาไว้อธิษฐานก็องค์อื่นได้ไหมเอามาเดี๋ยวก็เอามาไปที่ไหนบางคนกลัวใหญ่เลยทีนี้อย่าไปฟังนะอง์นี้ไม่ได้เลยแต่ข่าวไปเทศที่ยุ่งพูดนี่ตายไปตั้งแปบศพในยุ่งอย่างนี้ยุ่งเลยใช่ไหม เออตรงนี้ก็พอตายแล้วก็อยู่อย่างเดิมแต่ไม่มีใครรู้เลยมีรู้อยู่สองท่านนะี่หนึ่งพระพุทธเจ้ารู้กับสองเจ้าตัวรู้เป็นเท้าสกะอย่างเดิมพอท่านได้เป็นเท้าสกะแล้วท่านก็ใช้พาหัดพาหัดก็ใช้มือตบแผ่นดินดีใจมาก ชื่นใจว่าเหมือนเหมือนคนตบเข่าตัวเองประสบความสําเร็จแล้วก็เป่งอูทานวันณนะโมตัสสะภควะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นผู้ไกลจากกิเลสตัดสรูชอบได้โดยพระองค์เองชื่นใจจริงๆเราประสบความสําเร็จแล้วไม่ไปอบายภูมิแล้วยอมอยากจะประสบความสําเร็จอย่างนี้ไหมอาทยอมตายยอมอยากได้สถานภาพเดิมไหม เอาไหมตายแล้วกลับมาอยู่อย่างเดิม่เอาไมเอามาไม่ได้หรอกใช่ไหมไม่มีเงื่อนไขว่ามนุษย์ตายแล้วจะมานั่งอยู่อย่างนี้ได้เนยทำไม่ได้แต่เทวดาได้าฉะนั้นถ้าอย่างเราตายยอมลองคิดยอมได้วางแผนไว้ไหมว่าถ้าตายแล้วเราจะไปเกิดที่ไหนได้วางแผนไว้ไหมยอมรู้ไหมว่า ว่าที่เรามากันในโลกมนุษย์เนี่ยว่าเป็นเรามามันเป็นที่ถาวรของเราหรือที่ชั่วข่าวถาวรหรือชั่วข่าวมาชั่วข่าวเร็วไหมเร็วเดี๋ยวก็ต้องไปแล้วใช่ไหมแล้วตรงไหนเป็นที่ถาวรของสัตว์โลกหนึ่งสัตว์นรกสองสัตว์เดรัจฉานสาเปรตสี่ อสุรากายนี่คือที่ถาวรของคนที่เป็นปุถุชนนะนี่วัดกำลังกันมากเลยนะงานเนี้ยนี่แหละมาใส่ชุดขาวมาปฏิบัติโย้พุทธนี่แหละถามว่าถ้าตายแล้วลงอบายนี่เสียชาติไหมเนี่ยเสียไม่เสียเสียหายมากเลยเดี๋ยวพวกไปเจอเอาไหนเห็นนั่งชุดใส่ชุดขาวไปโย้พูทธบ่อยทําทำไมไมาเป็นแบบนี้เราโอ้โหเสียหายเลยใช่ไหฉะนั้นต้อง ต้องต้องต้องระมัดระวังให้ดีเลยนะเนี่ยชีวิตมันน่ากลัวตรงนี้แหละพระเจ้าที่ใช้พระนักขาเนี่ยช้อนฝุ่นขึ้นมาถามพระอะไรอย่งนี้บอกเห็นไหมฝุ่นในเล็บกับฝุ่นบนแผ่นดินถามพระจ้ถามสาวว่าฝุ่นในเล็บกับฝุ่นบนแผ่นดินเนี่ยไหนมากอะไหนน้อยอะไหนน้อยฝุ่นในเล็บน้อยน้อยเยอะไหมน้อยมาก ฝนในแผ่นดินเยอะไหมก็บอกนั่นไงสัตว์ที่ไปในใบยภูมิเหมือนฝุ่นในแผ่นดินที่มาสุขติภูมิเหมือนฝุ่นในเล็บอาจะรักษาสถานภาพได้ไหมพวกเราเนี่ยแล้วอยากจะเป็นสัตว์ที่วิ่งอยู่ในแผ่นดินหรือ ว, วิ่งอยู่ในเล็บโอ้หนี่น่ากลัวจริงใช่ไหมนี่เป็นเรื่องน่ากลัวมากเลยพูดแล้วอยากไปรีบไปเจริญอาณาปณสติไม่อยากพูดต่อเลยแม่เอามาเนี่ย กลัวจิตจะหลุดไปเรื่องอื่นเน่ยใช่ไหมไม่อยากจะยุ่งเรื่องใครอีกแล้วเนี่ยอยากจะอยู่กับลมหายใจเข้าลมหายใจออกเพราะถ้ารักษาสถานภาพอย่างนี้เราจะได้สุขติไหมได้สุขติแน่นอนถ้ามัวไปวุ่นเรื่องโน้นเรื่องนี้อยู่โอกาสเป็นฝุ่นในปฐพีสูงมากใช่ไม้มเนี่ยพอพูดเรื่องอานาบานาสติเทไรออกมาก็ไม่ค่อยอยากจะพูดต่ออยากจะกลับไปในห้องไปเจริญนานานานสติ เพราะว่าถ้าจิตเป็นสมาธิแล้วเนี่ยเวลาจะเดินวิปัสสนาปัญญาเนี่ยโอ้ห เ, เราจะรู้อะรู้คติตัวเองด้วยอย่างนี้เป็นต้นเอ อ, เอท่านมหาวัี้ล้วเวลากี่นาที เดี๋ยวพอดีไปเอามันมีคำถาม <c oughs> เดี๋ยววันนี้ก็อาจจะเลยเวลาไปนิดหนึ่งเพราะว่าอาจจะให้พวกเราเลื่อนเวลาลงทําวัดหน่อยนะเพราะว่าเนี่ยเอกมาจะไปธุระ พอดีมีเวลาคุยกับพวกเราได้ได้น้อยเออมีใครอยากจะถามปัญหาอะไรไหมมีไหมเอามีเลยรถามเลยเอาจารย์บ๊มีไม้ไหมเอาไมให้โยมด้ว กคนได้ได้ลคนที่จะถามอันนี้ก็จะไม่ถามส่วนตัวนี้เอ อ, เ อ, อใช่จะถามปัญหาใช่อ่่นีไม่ได้กลบนมัสกลับนามักสการพระอาจารย์ค่ะคือ ในชาติปัจจุบันน่ะนะคะกว่าที่จะเข้าถึงพระธรรมไม่ใกล้ๆนิดหนึ่งคืออายุก็เข้าวัยกลางคนแล้วอะคะ่ะที่นี้เคยได้ยินมาว่าเรื่องกรรมเรื่องบุญเนี่ยสามารถสะสมข้ามภพข้ามชาติได้ถ้าตั้งแต่นี้ต่อไปอะคะ่ะจนถึงจนจนสิ้นชีวิตนะคะถ้าถ้ายมรักษาศีลแล้วก็จเจริญอาณาปณะสติต่อเนื่องอะคะ่ะ ชาติหน่าจะเข้าถึงพระธรรมเร็วขึ้นไหมคะแล้วก็จะเหมือนกับจะตอดเวลาที่เราจเจริญอานณาปณสติอะคะ่ะจะจะทำได้เร็วกว่าไหมคะหรือต้องเริ่มต้นใหม่อะคะ่ะเรือถามได้ดีนะคืออย่างนี้เมื่อกี้ยอมใช้คําว่าบุญและกรรมที่คำคำเนี้ยคำว่ากรรมเนี้ยคนส่วนใหญ่มักไปเข้าใจว่าเป็นสิ่งที่ไม่ดี แต่คำว่าบุญเนี่ยโดยมากไปเข้าใจว่าเป็นสิ่งที่ดีมักจะไปเข้าใจอย่างนั้นฉะนั้นทำความเข้าใจคำว่ากรรมกรรมสักเล็กน้อยว่ากรรมมะเนี่ยแปลว่าการกระทาแปลว่าการกระทำยังไม่ระบุลงไปว่าดีหรือไม่ดีถ้ากุศลกรรมเนี่ยเข้าไปว่าเป็นกรรมดีหรือกุศลกุศลกรรมเนี่ยเป็นกรรมที่ดีอกุศลกรรมเป็นกรรมที่ไม่ดีก็คือบาปนั่นเอง กุศลกรรมก็คือบุญเนี่ยง่ายๆอย่างนี้ก่อนเนาะแต่แต่ถ้าไปแยกรายละเอียดอาจจะมีจุดต่างกันอยู่ฉะนั้นคำว่ากรรมเนี่ยเป็นคำกลางๆเขาแปลว่าการกระทำนะยังไม่ได้บอกพุทธิจ้าบอกว่าเจตจำนงหรือเจตนาของสัตว์ทั้งหลายเนี่ยที่จงใจแล้วจึงพูดจึงทาจึงคิดไอเจตจำนงเจตนาตัวนี้เราเนียเป็นตัวกรรมถ้าเจตจานงที่เป็นไปในการไม่ดีนะ ก็เป็นอกุศลกรรมถ้าเกิดจำงที่เป็นไปในทางที่ดีก็เป็นกุศลกรรมทีนี้ประเด็นต่อมาว่ากุศลกรรมคือการให้ทานคือการรักษาศีลที่สัตว์ทั้งหลายทำและเจริญภาวนามีการเจริญานาปานาสติเป็นต้นถามว่าจะสามารถติดกระแสชีวิตเนี่ยเป็นไปในการต่อไปในภพชาติต่อไปไหมพระพุทธเจ้าบอกถึงอานิสงส์ของการเจริญานาปานาสติว่า ถ้าจเจริญอาณาปาณสติอย่างเต็มที่เต็มความสามารถนะจะได้ผลสองประการคือหนึ่งเป็นพระนาคามีสองเป็นพระลรหันถ้าไม่ได้ถ้าไม่ได้ในปัจจุบันนี้นะตอนในปัจจุบันตอนนี้ไม่ได้จะไปได้ตอนใกล้ตายใกล้จะตายจะบรรลุแต่ถ้าหากตอนใกล้ตายไม่บรรลุ ด้วยการสั่งสมอัธยาศัยในการเจริญอาณาปณสติอย่างติดต่อต่อเนื่องนี่หมายถึงกลุ่มเจริญจริงเนะเจริญทุกวันเจริญจริงๆและเจริญแบบมีความรู้ความเข้าใจอย่างแท้จริงเนี่ยตายไปแล้วไปเป็นเทวดาพอไปเป็นเทวดาเนี่ยถ้ามีเพื่อนที่เป็นเทวดาทั้งหลายเหล่านี้มาบอกเนียมากระซิบบอกเนี่ยเออท่านจําได้ไหมท่านเจริญอาณาปณสติแล้วก็บอกข้อมูลต่อเนี่ยก็จะไปบรรลุเป็นเทวดาด้วยจะบรรลุเป็นเทวดาเลยเห็ิมะอัธยาศัยที่สั่งสมเนี่ย และถ้าสมมุติว่าไปบนเทวดาเนี่ยนะได้ไปฟังธรรมจากเทวดาที่มีความรู้ความเข้าใจเช่นเท้าสกา่าที่เป็นต้นพอท่านแสดงธรรมจบปุ๊บเนี่ยจะได้มีโอกาสบรรลุในสวรรค์นั้นถ้าไม่ได้บรรลุถ้าตายจากสวรรค์นั้นมาเกิดในยุคที่ศาสนาของพ่ชินอเจ้าสว่างรุ่งเรืองดุดดวงประทีปเนี่ยนะถ้าไปเจอพระเจ้าเนี่ยฟังธรรมอย่างพระเจ้าจะเป็นกลุ่มบรรลุเร็ว เขาเรียกกลุ่มบรรลุเร็วเนะี่ยขีปปาพินยาเช่นฟังทำปุ๊บแล้วบรรลุเลยเนี่ยนี่มันได้ไั้มอัยาริยมันสามารถจะสั่งสมเป็นอัจฉิยะใสาได้อย่างแท้จริงนี่เป็นอย่างนั้นนะและในตรงกันข้ามถ้าทำบาป ก, ก็จะติดอัยาริยะใสไปเหมือนกันอาถามปัญหาต่อเนาะเดี๋ยวจะตอบให้ถามปัญหาว่าอาการ อาการสะดุง้งเอเนี่ยมาตอบไปยังตอบไปแล้วเนี่ยเอออาการสะดุ้งเนี่ยตรงนี้ก็คือเวลาปฏิบัติไปที่สะดุ้งเนี่ยเพราะโดยส่วนใหญ่คือมันเผลอหลับเผลอหลับพอมารู้สึกตัวก็จะสะดุ้งทุกครั้งเลยมันจะหลับปึ๊กหนึ่งมันก็จะแอบสะดุ้งเลยนั้นสติมันอ่อนนันสติอ่อนเอง จิตเป็นสมาธิขณะฝึกลมหายใจเนี่ยในเวลาที่ร่างกายเคลื่อนไหวเช่นการเดินการทานอาหารหมายถึงรู้ลมในขณะจุดสัมผัสและรู้อาการกระทําขณะเคลื่อนไหวใช่หรือไม่เดินช้าหรือเร็วจะมีผลต่างกันกับการตั้งจิตอย่างไรวัตถุประสงค์ในขณะที่ยาบทเดินและไปรู้ลมเนี่ยเป้าหมายดังที่ได้กล่าวไว้แล้วก็เพื่อต้องการที่จะให้จิตนั้นมีความคุ้นเคยกับลม เพราะเมื่อผลจริงๆก็คืออยาบทนั่งนั่นแหละฉะนั้นเมื่อมานั่งแล้วจะได้ไม่จะได้ไม่ต้องใช้เวลาเยอะถ้าอย่างนั้นถ้าเราทิ้งไปหมดเลยนะมาเจริญณาปัญสติเฉพาะยาบทนั่งจะลำบากมากคือมันไม่ติดต่อมันไม่ต่อเนื่องโยมเหมือนจะต้องมาเริ่มอยู่เรื่อยเพราะเราเพิ่งใหม่อยู่เข้าใจไหมฉะนั้นเหตุผลว่าทาไมจะต้องไปทาติดต่อต่อเนื่องก็เพราะว่า ตรงนี้แหละผลดีเกิดขึ้นกับเรานั่นทางพุทธศาสนาจิตจะกําหนดการกระทําเช่นสมาธิลมหายใจทางวิทยาศาสตร์หรือกายภาพสมองจะควบคุมความคิดและการทําสมาธิเป็นเช่นนี้แล้วเราควรจะควบคุมสมองก่อนฝึกจิตหรือไม่ฝึกฝึกสมองว่างๆไว้ไว้ก่อน <c oughs> คนส่วนใหญ่คนส่วนใหญ่ไปเข้าใจว่าไอ้สมอง ว่าสมองเป็นความเป็นตัวคิดแท้ที่จริงแล้วเนี่ยกลุ่มสมองนี่คือกลุ่มรู ป, ปรธรรมออยอมถ้าดูอย่างนี้นะว่าดูรถยนต์เนี่ยยอมรถยนต์จริงๆเนี่ย ก, กลไกที่เป็นตัวควบคุมจริงๆคือเครื่องยนต์เนาะเครื่องยนต์เนี่ยยอมยอมเข้าใจนะเครื่องยนต์ไอตัวโรงงานทั้งหลายตัวควบคุมทั้งหลายคือเครื่องจักร ไอ้เครื่องจักรนั่นเหมือนกับสมองมนุษย์เครื่องยนต์น่ะเหมือนสมองมนุษย์แต่จริงๆว่าไอ้ตัวรถยนต์ทั้งหลายมันจะไปได้ไหมถ้ามันไม่มีคนขับไปได้ไหมไปไม่ได้ฉะนั้นไอ้คนขับในที่นี้คือจิตคือจิตนะั้นะจิตเนี่ยจิตที่คิดทั้งหลายเหล่านี้สรุปก็คือว่าจิตที่วะสมองที่ปวดหัวก็ดีดูเครียดดูวิตกกังวลแท้จริงจิตเนี่ยวาวุ่น เมื่อจิตว้าวุ่นน่มันมีปฏิกิริยาต่อการที่ทำให้สมองเนี่ยตึงเกร็งนะนี่เป็นอย่างนี้ฉะนั้นสมองคือรูปธรรมก็เหมือนกับเครื่องยนต์เนี่ยที่ใส่ไว้ในรถเนี่ยมันเอาไปวางไว้มันไปเองได้ไหมไปไม่ได้แต่คนขับนี่สิใช่ไหมต้องควบคุม จะสตาร์ทเครื่องยังไงจะดูแลยังไงนี่เป็นไปในลักษณะนั้นแค่นั้นก็คือจิตเนี่ยกำหนดไอตัวจิตเนี่ยแท้จริงก็คือจเจริญอาณาปานสติสมาธิถามว่าตัวสมาธิเนี่ยเป็นองค์ประกอบองค์หนึ่งที่อยู่ในจิตนั้นเป็นเอกะขะตา ตัวสติก็เป็นคุณภาพของจิตอย่างหนึ่งเป็นองค์ประกอบอย่างหนึ่งที่อยู่ในจิตนั้นเหมือนกันฉะนั้นเมื่อเราตั้งสติกำหนดดูที่ลมจิตก็ต้องจดจ่ออยู่ที่ลมนั่นแหละแต่จิตของมนุษย์เนี่ยซัด ส, สายหรือจิตของสัตว์โลกทั้งหลายจะซัดสายไม่อยู่กับที่หรอกไปทั่วอย่างที่บอกไปเรื่อยฉะนั้นการที่จะให้จิตมาอยู่นิ่งเนี่ยจึงต้องใช้สติ ซึ่งเป็นองค์ประกอบที่อยู่ในกุศลจิตนี่แหละใ ช, ใช้สติประดุดดังเชือกผูกจิตไว้แล้วก็มามัดไว้ที่หลักหลักก็คือลมลมก็คื อ, อตอนลมมันวิ่งเข้าวิ่งออกเนี่ยแปลว่าหลักไม่ได้ปักไว้แล้วก็มาปักจุดกระทบใช่จุดกระทบก็เหมือนกับที่เอาปักหลักแน่นให้แน่นไว้ก็เอาเชือกมาผูกไว้กับหลักแต่นี้จิตมันจะไปไหนได้ไห เมื่อสติเป็นเชือกผูกจิตไว้แล้วมามัดไว้กับลมมัดไว้กับหลักถามว่าจิตจะไปตามอาเภอใจอย่างเก่าได้หรือไม่ได้ไม่ได้ผูกไว้ถูกผูกไว้ซะแล้ววิ่งไปวิ่งมาก็จะพันอยู่นะเข้านะเข้าก็จะมายืนแน บ, บชิดติดกับหลักนี่เหมือนกันฉะนั้นเมื่อจิตผ่อนคลายสมองก็ผ่อนคลายเพราะสมองเป็นรูปธรรมถ้าจิตวิตตกกังวลเยอะสมองก็เครียดก็ล้าก็ปวดหัว ฉะนั้นถ้าจเจริญอาณาปานสติเนี่ยยิ่งจเจริญไปแล้วสมองเป็นยังไงคลายมีความสุขนี่เป็นอย่างนี้นะขณะฝึกกาหนดลมหายใจณนะจุดสัมผัสแรกเริ่มหายใจจะสั้นเมื่อผ่านไปสักระยะร่างกายจะผ่อนผ่อนลมหายใจจะยาวขึ้นแต่จิตจะกวัดแกว่งจากจุดสัมผัสเพราะกระบางลมยกขึ้นด้วยอย่างนี้จะทําเช่นไรเอ่อตรงนี้ ร่างกายผ่อนเนี่ยลมหายใจลมหายใจยาวขึ้นเนี่ยถามว่าลมหายใจยาวขึ้นในขณะนั้นถามเวลาดูเนี่ยตอนนั้นที่จิตกวัดแกว่งเพราะอะไรจิตกัดแกวงก็เพราะจิตไม่ตั้งมัน่นใช่ไหมตรงนี้บางทีสังเกตด้วยนะว่าที่บอกว่าลมหายใจยาวขึ้ น, เ, นเราจงใจบังคับลมให้ยาวหรือไม่ต้องระวังว่า บางครั้งบางทีเราเผลอเพราะเราเป็นประเภทชอบควบคุมชอบควบคุมชอบสั่งการชอบบงการถ้าอย่างเงี้ยแ ก, แกเสะ อ, อุปนิสัยแบบนี้ไม่เอาให้ดูเป็นธรรมชาติจริงๆนะให้เป็นธรรมชาติจริงๆเมื่อสัมผัสให้สังเกตดูนะว่าลองลองไม่กำหนดดูที่ลมหายใจก็ก็มีอยู่ใช่ไหม เขาก็มีเขาเป็นปกตินั่นแหละพอไปดูปุ๊บไม่แค่ดูอย่างเดียวจะไปกำกับซะอีกกำกับก็จะสั่งว่าจงหายใจอย่างนี้จงอย่างเงี้ยอันนั้นเขาเรียกไปกำกับอย่า ก, กำกับบางทีกำกับก็ได้ที่กรณีทาให้ยาวขึ้นให้สังเกตแล้วก็ดูเขาเข้าออกตามปกติของเขานี่แหละแล้วดูที่จุดกระทบเดี๋ยวก็เดี๋ยวก็แก้ได้ การปฏิบัติสมาธิเห็นสภาวะธรรมเห็นอย่างไรมีอาการอย่างไรจะรู้ได้อย่างไรว่าได้แก่สภาวะธรรมการเจริญอาณาปณสติเนี่ยยังไม่ได้เปกพูดถึงเรื่องสภาวะธรรมอย่างอื่นก่อนแต่ทำให้จิตนั้นทำให้สมาธินั้นตั้งมั่นได้บอกแต่ที่แรกว่าลมหายใจเข้าลมหายใจออกเขาเรียกว่าปริก ร, รมนิมิตมก็เป็นปริกา ร, รมนิมิตแ ล, ลมแล้วลมเข้าเล่ลมออก เป็นนิมิตเป็นเครื่องหมายแห่งการที่จิตจะต้องมีงานทำด้วยการไปกำหนดรู้แล้วก็ตั้งมั่นอยู่นั่นที่นิมิตคือลมเข้าและลมออกนั้นนะไปตั้งมั่นที่ลมหายใจเข้า ล, ลมหายใจออกนั้นและเมื่อกาลังของสมาธิมันมีพลังมากขึ้นนะมีกำลังมากขึ้นไอตัวนิมิตก็จะเริ่มแปลเปลี่ยน อ้นิมิต ท, ที่เริ่มแปลเปลี่ยนอย่างนี้แหละอันนั้นเขาเรียกว่ายังอยู่ในชั้นของบริกรรม น, นิมิตอยู่เป็นไป ล, ลักษณะอย่างนั้นเมื่อจิตรวมตั้งมั่นดีแล้วควรต่อยอดอย่างไร <c oughs> ก็ดังที่ได้กล่าวว่าภิกษุทั้งหลายเนี่ยเธอทั้งหลายพึงศึกษาพึงฝึกฝนเพียรพยายามอย่างนี้ว่าจิตของเราจะต้องเป็นจิตที่ตั้งมั่นในธรรมภายในคือการกําหนดดูลมหายใจเข้าลมหายใจออก บาปอกุศลธรรมันชัวร้ายจักได้ไม่ก่อคุมจิตตั้งอยู่พระเจ้าว่าเธอพึงเพียรพยายามฝึกฝนอย่างนี้แหละทีนี้เมื่อจิตของเธอตั้งมั่นเป็นอย่างดีในลมหายใจเข้าลมหายใจออกแล้วเธอจงพยายามกระทาให้มากกระทาให้มากก็ทําให้เป็นดุจยานทำให้เพนที่ตั้งสั่งสมจัดเจนให้มั่นคงในลมหายใจเข้าและลมหายใจออกนั้น ก็คือให้ตั้งมั่นให้นานนะจากสบนาทีเป็น20สบนาทีเป็นส0สิบนาทีเพิ่มพลังของอันสมาธิให้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆและที่สุดจริงก็ไปรู้ยาวรู้สั้นต่งที่ได้กล่าวรายละเอียดไปเรื่อคำว่าจิตลงรวมนี่คืออะไรยิ่มาไม่ได้พูดคำว่าจิตลงรวมเนะีใช้คำว่าจิตตั้งมั่นนะจิตตั้งมั่น อ๋ อ, อ, อมีนี่หมดแล้วนี่ออบอกว่าดิฉันขอเรียนถามว่าเวลานั่งสมาธิแล้วมักเข้าพวังอยู่ บ, บ่อยๆมีวิธีแก้ไขได้บ้างใครช่วยอ่านให้หน่อยได้ไหมเนี่ยใครตา ใช้อ่านใช่ไหมถามเอามาเอามาจะตกภาษาไทยหรื อ, รอว่าก็เขียนตกหรือเปล่าบบนีอ้อ๋อว่าถามบอกว่ามีเอ๊อ เวลาเวลานั่งสมาธิเนี่ยจะลองพะวังบ่อยๆมีวิธีแก้ไขอย่างไรบ้างเออประเด็นมันอย่างนี้ว่าตรงนี้จริงๆยอมอาจจะใช้คำพูดคำพูดผิดก็ได้มั้งยอมเอ๊ะใครเป็นคนถามปัญหานี้ยกมือนิดหนึ่งดิ้นคนถามอย่างนี้ดีไหมว่า ไอ้ที่มันหลับบ่อยๆใช่ไหมใช่ไหมไอ้ใช่ใช่ใช่ใ ช, ใชตรงนี้หรือเปล่าก็คือเวลาเจริญอน า, นาณาบรรณสติหรือเจริญสมาธิแล้วมันเผลอหลับบ่อยๆใช่ไหมไอ้ง่วงใช่ไหมเนี่ยใช่ว่าวิธีจะแก้ความง่วงใช่ไหมหรือผวังนิยมเข้าใจนีหมายถึงอะไรคืออย่างนี้ว่าเวลา เวลาจเจริญเวลาจเจริญสมาธิเนี่ยนะการมนาสิการไม่ดีเนี่ยมันจะเผลอหลับบ่อยๆถามว่าอาการที่หลับบ่อยๆเนี่ยเป็นจากส่วนหนึ่งก็คือว่าเพราะเพราะเราเนี่ยคือเล่าเรื่องอย่างนี้ว่าในครั้งหนึ่งนะ พระโมคคลานะเนี่ยเมื่อได้รับอุปสมบทจากพระพุทธเจ้าแล้วท่านได้ปฏิบัติธรรมอยู่ที่แห่งหนึ่งใกล้หมู่บ้านก า, านละวัลมุตะคามในแฟนมคตในวันที่7จ็ดนั่นนับจากที่ได้อุปสมบท ต, ตลอดเวลาที่อยู่นั้นน่ะท่านพยายามปฏิบัติอย่างเคร่งครัดเลยนะพระพุทธเจ้าก็ประทับอยู่ที่มิกระทยายวันในแฟนศักแฟ น, แฟนภาาักคะตอนนั้นพระบรมศาสดาเห็นเห็นไหมว่าพระโมคคลานะไปปฏิบัติอีกที่หนึ่ง พระบรมศาสดาก็เห็นเห็นท่านกำลังนั่งโงกม่วงอยู่ก็คือพอนั่งโงกม่วงอยู่งั่นแปลว่านั่งเหมือนที่โยมใช้สานวนน้อยลงพวงโยมนี่แหละก็คือนั่งหลับพอนั่งนั่งหน่อยก็หลับนั่งหน่อยก็หลับทีนี้ถ้าตอนนี้เมื่อพระบรมศาสดาปรินิพพานไปแล้วถ้าเรานั่งกรรมฐ า, านแล้วหลับเราจะให้ใครมาเตือนเรา เอาใครเป็นคนเตือนยอมตอบสิก็ให้พระพุทธเจ้านั่นแหละมาเตือนเราอย่างเดิมฉะนั้นเราจะต้องจำสูตรนี้ให้ได้นะสำหรับผู้ชอบหลับทั้งหลายเอาลองยกมือที่คนเจริญกรรมฐานแล้วชอบหลับไอ้คำว่าชอบคือนั่งแล้วมันจะหลับอยู่เรื่อยเอาช่วยบอกความจริงหน่อยที่มีเยอะไหมเอ้หนึ่งสองสามโอ้โหเยอะเหมือนกันเนาะไอ้นอกนั้นแสดงไม่เคยหลับเลยใช่นั่งนี่ตัวตรงแนวเลย เออตรงนี้นะพระพุทธเจ้าก็บอกว่านันดับแรกเลยนะวิธีแก้ง่วงพระพุทธเจ้าบอกว่าพระโมฆลลานะพุทธเจ้าก็ไนะปปรากฏต่อหน้าพระพุทธเจ้าเออตอหน้าพระโมฆลลานะคือผู้ปฏิบัติในสมัยก่อนเนี่ยเวลาท่านไปนั่งปฏิบัติหน้าที่ตรงไหนท่านจะต้องปูอาสนะไว้ที่ข้างหน้าถวายพระพุทธเจ้าอันนี้เป็นเป็นเป็นปกติเพราะท่านรู้ว่าเดี๋ยวพระพุทธเจ้าก็ต้องมา ทำผิดเมื่อไรแต่ทุกวันนี้เวลาเราทําผิดเมื่อไรมีใครมาบอกเราไหมมีไม่มีเหตุผลที่ไม่มีเพราะเราจําพระธรรมไม่ได้อตมาเนี่ยเวลานั่งปฏิบัติหรือทําอะไรผิดเนี่ยพระธรรมของพระเจ้าจะวิ่งมาบอกอตมาทันทีเห็นไหมแปลว่าอะไรแปลว่ามาเนี่ยอยู่กับพทธเจ้าในฐานะแห่งพระธรรม นั้นพระธรรมจะมาปรากฏบอกเลยว่าแต่มาจะเปลี่ยนอย่างยกตัวอย่างกำลังนั่งง่วงสะพงกอย่างนี้นะเดี๋ยวคำสอนพระเจ้าจะวุบมาที่ใจอตมาทันทีเลยเตือนทันทีเลยตอนนั้นพระโมคคัลลานะก็ทูลว่าได้ตรัสกับพระโมคคัลลาน ะ, ะโมคคัลลานะเธอง่วงหรือเข้าใจไหมฉะนั้นถ้าเราเกิดง่วงปุ๊บขึ้นมาเนี่ย ให้เราสําคัญว่าพระพุทธเจ้ามาปรากฏ ต, ต่อหน้าเราแล้วก็มาถามแล้วเอาชื่อเราออกอสมมุติชื่ออะไรยมชื่ออะไรนะสุธีใช่ไหมพระเจ้าก็จะเอ่ยชื่อสุธีเธอง่วงหรือเ <c oughs> ข้าใจใช่ไหมเราก็บอกว่าเราก็ทูลบอกว่าว่าบอกว่าง่วงพระพุทธเจ้าก็บอกโมฆะลานนะ เราก็ใส่ชื่อเราไปบอกสุดที่เมื่อเธอมีสัญญาอย่างไรความง่วงจึงครอบงำได้เธออย่าไปใส่ใจสัญญาอย่างนั้นให้มากอันนี้เป็นอุบายอันหนึ่งที่จะทำให้ละความง่วงได้เอาคาว่าสัญญาอย่างไรคืออะไรตอนกำลังนั่งจเจริญกรรมาฐานอยู่นั้นดูลมหายใจเข้าออกนั้นตอนนั้นกำลังคิดถึงอะไรอยู่ คิดถึงอะไรถึงง่วงตอบหน่อยสิคิดถึงอะไรจึงง่วงยอมคิดถึงอะไรจึงง่วงตอนนั้นยมทาใจให้โหดหู่ไม่ไม่แช่มชื่นไม่เบิกบานใช่ไหมจึงง่วงงั้นก็อย่าใส่ใจถึงความรู้สึกแบบนั้นให้ใส่ใจถึงความแช่มชื่นถึงความเบิกบาน ถึงความอาดหารถึงความล่าเริงถึงความฟ่องใสสินี่เธอไปทํานิมิตผิดนี่เธอไปใส่ใจผิดนี่เธอไปหงอยทําซึมซึมดูลมไปเรื่อยใช่ไหมตอนนั้นจะง่วงไหมเอาก็เปลี่ยนจิตใหม่เปลี่ยนเป็นแบบไหนเปลี่ยนจิตให้ล่าเริงให้อาดหารให้มีความเพียรให้มุ่งมั่นให้ประครับประคองขึ้นมาจะหายไม่หาย ไม่หายอีกไม่หายอี ก, ห า, อกหายไหมฮะในรูปแบบแล้วครับเมื่อาเรานั่ง แ, แล้วเนี่ยจิตเราเราดูลงไปเนี่ยมว่ากท่านอาจารย์บอกว่ามันเ้าัไั่งนเราทไให้มันอ่ถ้าเราทให้มันอ่า น, า น, น, นี่เข้าใจเข้าใจตรงนี้สมมุติเราก็ต้องปลุกจิตของเราให้ตื่นขึ้นมาฮะ ปกจิตก็คือกระตุน้นให้เกิดความรู้สึกแช่มชื่นขึ้นมาทีนี้การปกจิตให้แช่มชื่นขึ้นมาโดยการนึกถึงพุทธโอวาทนี่แหละว่าพระเจ้ากำลังเตือนเราอยู่นะาถ้าทาอย่างนี้พระเจ้าบอกว่าถ้าทาอย่าง น, าางนี้เธอไม่หายง่วงใช่ไหมเธอไม่หายง่วงพระเจ้าก็บอกว่าทำใดที่เธอได้ยินได้ฟังและเล่าเรียนมาเธอให้นึกถึงและพิจารณารำนั้นบ่อย เห็ไหมนี่ต้องต้องไปดูลมไม่ได้แล้วตอนนั้นน่ะแปลว่าเอาแล้วต้องนึกถึงอาคือเคยฟังมาฟังเรื่องอะไรเช่นฟังเรื่องพุทธคุณมาให้นึกถึงพุทธคุณนึกในใจนะอนึกยังไงอิติปิโสภควาให้นึกนะห้ามพูดออกมานะอิติปิโสภควาแม้เพราะเหตุนั้นพระผู้มีพระเจ้าพระองค์นั้นให้นึกนี้อลาหังเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธโธเป็นผู้ตัศรุชอบได้โดยพระองค์เอง วิชาจรณะสัมปัโนโนเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชาและจรณะให้นึกอย่างนี้เห็นไหมถ้านึกอย่างนี้แปลว่าจิตจะเริ่มตื่นไหม <c oughs> ถ้าไม่ตื่นทำยังไงต่อแต่ถ้ายัางละไม่ได้ทาใดที่ได้ฟังได้เรียนมาให้นึกถึงเรื่องนั้นบ่อยก็ยังไม่ได้บอกทำใดที่เธอได้ฟังได้เรียนมาให้สาธยายสวดเลยให้สวดเอ๊ถ้าอย่างนี้สวดมาดังๆได้ไหมนั่งด้วยกันอย่างเงี้ย ก็คือให้สาธยายออกมาว่าอิติปิโสภควาอาระหังสัมมาสาธยายเบาๆก็ได้นะสาธยายออกมานี่ให้สาธยายอิติปิโสภควาอารหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจารณาสัมปันโนสุขโตโลคิวทูนุตโตปริยธรรมมาสาธติศัทธาเดวมนุษย์สาวนางพุทโทธภควาติสว่าขาโตัวภควาตาททธรรมวสาธยายเงี้ยถ้าสาธยายอย่าง น, าายายยางนี้หายหรือไม่หาย าบางคนสาธยายหายไหมบางคนไม่หายไม่หายประการที่สี่เธอพึงแยงหูทั้งสองอันนี้แปลว่ามันง่วงจัดนะนะกลุ่มนียแยงหูทั้งสองแยงยังไงแยงหูทำยังไงดีแยงหูทั้งสองเอามือรูปตัวเอามือรูปตัวรูปแรงๆนี่นะหยิกเลยก็ได้ มือรูบตัวนี่เป็นอุบายอันหนึ่งที่จะทำให้ละความง่วงได้เอาถ้าหากดึงหูทำอะไรต่างๆอย่างนี้แล้วไปเสร็จนะแล้วมือรูบตัวแล้วยังไม่หายพระเจ้าบอกเธอก็พึงลุกลุกจากที่นั่งเลยแต่เนี้ยให้ลุกขึ้นเพราะมันไม่ไหวแล้วจริงใช่ไหมมันน้ำท่าจะสุดลงจริงๆเนี่ยให้ลุกขึ้นลุกขึ้นจากที่นั่งแล้วเนี่ยเอาน้าลูบหน้า เอาน้ำลูบตาแล้วก็เหลียวดูทิศทั้งหลายเข้าไปล้างหน้าแล้วก็เหลียวดูทิศทั้งหลายมองดูดาวมองดูอะไรว่าไปถ้าเป็นกลางคืนก็มองดูดาวกลางวันก็มองดูเนี่ยแสงไฟไปมองมองไปถ้าทำอย่างนี้คิดว่าจะหายไหมมีไหมคนทําอย่างนี้แล้วก็ยังไม่หายพระโมคคัลลานะท่านไม่หายถ้าทำอย่างนี้ก็ไม่หาย เ, ออเธอพึงมานาสิาาสกานถึงอะโลกะสัญญาอธิษฐานใจให้มีแสงสว่างเหมือนกับกลางวันไอ้ตรงนี้เราทําไม่ได้เพราะพระโมคคัลลานะท่านได้ฌานมาท่านได้ฌานมาฉะนั้นท่านก็เลยเข้าสมาบัติอีกอย่างเข้าอาโลกะสัญญาสมาบัตินะ่ะก็แปลว่าท่านจเจริญอโลกากะสินเพราะอาโลกากะสินนิมิตของท่านสว่างไหม ไม่เล็กๆเหมือนการเจริญอนานานะแล้วแปลว่าท่านสว่างให้เกิดขึ้นนี่เป็นอุบายนะขนาดเข้าอย่างนั้นแล้วบางทีพอหยุดจากการเข้ากระสินนี้ปั๊บความง่วงโจมตีอีกทำไรต่อให้เดินจงกรมอธิฐานเดินจงกรมเดินไปเดินมา แล้วก็ควบคุมจิตให้อยู่แต่ภายในตัวเองแม้เดินจงกรมมันไม่หลับแน่ยใช่ไหมเดินดูลมเน่หลับไหมคิดว่าจะหลับไหมเดินเดินไปเดินมาเดินไปเดินมาเอา้าถ้าเดินอย่างนั้นรู้สึกมันก็ยังมืดคึมทำไงต่อพระเจ้าบอกเธอพึงนอนแบบสีหาสัย ญ, ญาตอันนี้นอนได้แล้วนี่ไม่ไหวจริงๆนะกลุ่มนี้ไม่ไหวแล้วแต่นอนแบบไหนสีหาสย ญ, ญาต นอนตะแคงขวาตะแคงขวาวางเท้าเหลื่อมกันมีสติสัมปชัญญะตั้งจิตว่าเมื่อตื่นขึ้นแล้วจะลุกขึ้นทันทีและเราจะไม่แสวงหาความสุขจากการนอนและจะไม่แสวงหาความสุขจากการหลับนี่พระพุทธเจ้าบอกอุบายแก้ง่วงแบบไปเนี้ยคิดว่าทำได้ไหมแ8ดอย่างเนี้ยนี่นี่บอก น, น, นี่คือว่าเวลาใดง่วง ให้ใช้ตั้งแต่วิธีที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่ที่ห้าที่หกที่เจ็ดแปดเอาไวสา้สุดท้ายแเอาไว้สุดท้ายเข้าใจยังไม่ใช่ไม่ยอมแก้ไขเลยแปลว่าไม่ยอมไม่น้อมต่อไม่นอบน้อมต่อพ ร, ะ เ, ระเจ้างั้นพอเกิดง่วงทันทีต้องรีบแก้เลยประการแรกทำไงนะเปลี่ยนนิมิตเปลี่ยนสัญญา เปลี่ยนสัญญาแสดงว่าเราไปวางใจเรามืดครึมเกินไปต้องกระตุ้นความรู้สึกมาเอ๊ะถ้ายังไม่ได้อีกให้นึกนึกสาธยายในใจนึกถึงคําสอนที่เราจําได้นึกสาธยายเลยบอกจําอะไรก็ไม่ได้นี่เสลยยุ่งนะต้องจําให้ได้แม้ขนาดพุทธคุณเอาง่ายที่สุดแล้วเนี่ยใช่ไหมต้องสา ม, มารถจําได้ถ้าหากว่านึกในใจแล้วยังไม่หายง่วงสาธยายออกมาอานั่งอยู่ในการนี้สาธยายดังๆได้ไหม ก็เกงใจเพื่อนก็บ้างนี่หมายถึงจะอยู่คนเดียวสาธยายดังๆถ้าอยู่ไม่คนถึงอย่างห่างก็สายายได้นะอิติปิโสภะกวารังสมมาสมพุโทโธวิชาจารดาสัมปันโทเนศสาธยายได้เงี้ยนะคือปลุกจิตให้ตื่นขึ้ น, นมาให้อยู่กับบาปทางแต่ไม่ใช่ปลอยหลับก็เฉยไม่แก้เลยนี่ก็เรียกว่าไม่เคารพพระพุทธเจ้าเนี่ยเขาเรียกไม่เคารพพระพุทธเจ้าอ่ะ คนที่คิดว่าง่วงจะแก้ได้ไหมตอนนี้ต้องเอาไปทํานะเอาไปทำแปดอย่างอ๋อนอนแบบนี้แล้วจะไม่ยินจะจะมีสติสัมปชัญญะนอนจะแขงขวามองนอนอย่างที่พระรเจ้าทรงนอนบรรทมนะนอนแบบเนี้ยจะนอนด้วยสติสัมปชัญญะ แล้วมณสิการหมายว่าเมื่อตื่นลุกทันทีไม่โอเอะถ้านอนแบบเป็ดใสาา่าดเนี่ยไม่ดีนอนยังไงนอนแบบเป็ดใส่าดนอนนอนหงายไงนอนหงายเป็ดใสายาเคยนอนไหมนอนแบบไหนพวกเรานอนแบบไหนนอนแบบเต็มที่เลยอะไรที่มันสุขที่สุด นอนแบบไม่อยากตื่นเนอะวางั้นเถอะทำไมทาไมเปรตถึงนอนงายกระดูกเขาน้อยเขานอนต้องหานอนมันเขาทุกขเวทนามากเขานอนอย่างอื่นไม่ได้เนี่ยพระโมคคัลลานะขนาดเป็นพระโสดาบันแล้วยังง่วงเลยเนะี่ย่ังงโวง ฉะนั้นอย่าแปลกใจเรื่องการง่วงเป็นเรื่องปกติแต่ต้องแก้ทันทีโดยโดยตั้งอัตยาสัยว่าพระพุทธเจ้ามาโปรดเรานะตอนนี้พระธรรมของพระพุทธเจ้านั่นแหละจะมาโปรดเราแปดข้อเนี่ยเปลี่ยนจากชื่อของพระโมคคัลลานะเป็นชื่อเรานะเราชื่ออะไรก็ใส่ชื่อเราแทนไปเสมือนพระพุทธเจ้าบอกที่หูเราเลยดูก่อนนาะ ดูก่อนสุทีถ้าเธอนิมิดถึงเรื่องใดแล้วทำให้จิตงอกง่วงนะก็ <S <S อย่าไปคิดถึงเรื่องซึมซึมงอยๆเ ง, งาเ ง, า ง, างาอย่างนั้นก็ให้กลับคิดถึงความอาหารถึงความลาเริงถึงความผ่องใสถ้าเธอทำอย่างนี้เธอจะละถีน่มินะได้ถ้าละไม่ได้เธอเคยฟังเคยเรียนถ้าทำเรื่องอะไรมาที่ทรงจำได้ให้ไตรตรองไขครควนว่าทำนั้นตั้งแต่ต้นจนจบ เอาถ้ายังไม่หายให้สาธยายดังๆออกมาอย่างนี้เป็นต้นถ้ายังไม่หายเธอยอนหูทั้งสองข้างดึงดึงหูอย่างนี้เป็นต้นแล้วก็รูปตามตัวไม่หา ย, ยาก็ลุกขึ้นล้างหน้าล้างหน้าก็ดูมองดูทิศทั้งหลายเป็นต้นพอจะจาได้นะนี่คือทีนมิทะโอ้โหพระพุทธเจ้านี่แก้เป็นระบบไหมแก้เป็นระบบเลยนะเดี๋ยวตอบปัญหาให้จบก่นนะ เอ็อเมื่อกี้ปัญหาได้หนึ่งข้อแล้วนะนี่ยอมยอมเขียนใหม่แล้วเนาะเอามาขามาอ่านถือไม่เข้า อ, อันี้ยังไม่ได้เขียนใหม่นะอีอจะอะไรเอ๊ะอมามานไม่ได้จริงๆเนะี่ยฮะก็อยู่ข้างล่างนี้ใช่ไหมอ๋ออ๋อจะล่อจิตอย่างไดจึงจะให้จิตนั้นสงบได้ โอ้ล่ออย่างล่อปูล่องูเลยนี่เ <c oughs> อามาทำไมนีจึงจะทำให้จิตสงบได้เออตรงนี้คือเอามาจะบอกเคล็ดลับการเจริญสมาธิยอมนงเอาแล้วเดี๋ยวบอกวิธียอมเชื่อไหมว่าจิตเนี่ยเป็นธรรมชาติที่ที่บอกได้ บางทีเนี่ยให้สังเกต ด, ดูนะว่าจิตเนี่ยมันดือ้อถ้ายิ่งดื้อเนี่ยนะยิ่งมันไม่ยอมเนี่ยถ้ายิ่งเราไปกดมันไปบังคับมั น, นยยอมว่ายิ่งเครียดไหมเออยอม เ, ออเคยฟังเรื่องโคโนันที่วิสานไหมเคยเคยเคยเรียนไหมเ อ, อ้รุ่นใหม่ไม่เคยมั้งแล้วไม่เค ร, รุ่นเก่ารุ่นเดียวก็เยอะนี่นั่งนั่งอยู่เนี่ย เคยเคยเรียนโคนั้นที่วิสานไหมเคยใช่ไหมโคตรลดาเคยมหมเคยใช่ไหมโคตัวเนี้ถามว่าเจ้าของโคเนี่ยไปบังคับเขาก่อนใช่ไหมแล้วไปพูดกับเขาไม่ดีไอ้โคถึกไอ้โคโง่ใช่ไหมเองจงลากเกวียนนี้ไปแล้วโคมันน้อยใจไหมมันน้อยใจมันไม่ไปหรอก มันไม่ลากเฉยอยู่งั้นแหละตีมันก็ช่างอย่างเฉยมันโกรธมันน่ะน่ะถ้าเองบอกถ้าเราไปบังคับจิตอย่างนั้นน่ะมันจะเป็นอย่างนั้นแหละน่ะเข้าแพ้เลยเจ้าของโคอ่ะเสียหายมากน่ะเข้าก็เลยไปมือลูบหลังเขาพ่อโคพ่อมหาจำเรินยังไงเล่ะเออพ่อมหาจำเริญบอกว่าพ่อจงมันลากเกวียนเนี่ยห้าร้อเริ่มเกวียนนี้ไปเถอะฟังนั้นเถอะ เขานี่เหมือนกันวิธีบอกเขาว่าบอกว่าให้กําหนดตรงนี้ที่จุดกระทบนี่แหละนี่แหละพระบรมศาสดาสอนไว้นี่แหละเป็นมัคคาห่งพระอริยเจ้าทั้งหลายเธออย่าเธอจงเชื่อมั่นในพระดำรัสของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพุทธเจ้าอุบัติเกิดขึ้นมาไม่เคยโกหกใครเลย คำพูดพระเจ้านั้นเป็นสัจจะวาจาคำไหนก็นคำนั้นพระเจ้าบอกว่าอาณาปานสติที่บุคคลหรือโยคีเจริญแล้วก็ทำให้มากแล้วย่อมยังบาปอักษ ร, รธรรมอันชั่วร้ายที่เกิดขึ้นแล้ ว, ลวให้สงบไปโดยพรานฉะนั้นให้พยายามดูอยู่ตรงนี้แหละให้ใส่ใจตรงนี้เราทำได้พูดปอบพรมเขาอเี้ย ปกเล้าให้เขาเกิดความอาถรรพ์ล่าเลิงสักพักหนึ่งเขาจะไม่ไปที่ไหนเขาจะสดชื่นเขาจะชื่นใจแล้วก็จะตั้งมัน่นเห็นไหมเนี่ยจิตเริ่มตั้งมันงม่นแล้วตั้งมั่นแล้วปอบโยนไปเรื่อยๆหม่ไม่นี่นะแล้วที่สุดจริงๆเขาก็จะสงบได้อันนี้ไม่ใช่ล่อหรอกว่าพูดปอดประโลมเขาเห็นไหมนี่คือมรรคานี่คือเส้นทางของภริยาเจ้าที่ได้บรรลุ พระพุทธเจ้าบรรลุที่ใต้ต้นพระศีมหาโพกก็ด้วยนี้แหละกรรมฐานนี้แหละพระปเจพระพุทธเจ้าที่ทรงบรรลุก็อย่างนี้แหละและพุทธสาวกทั้งปวงก็ทรงบรรลุก็อย่างนี้แหละและหนึ่งในนั้นเราก็เป็นสาวกเราก็เป็นพุทธบริษัทของพระพุทธเจ้าฉะนั้นเราก็เป็นทายาทของพระพุทธเจ้าพุทธเจ้าบอกว่าเธอจงเป็นธรรมทายาทอย่าเป็นอมิสทายาทของเราเลยเราก็มีโอกาสที่จะบริโภคธรรม ลัตะนะที่พระเจ้าทรงบอกไว้เห็นไหมพอปลุกเราอย่างนี้คิดว่าจะมีกําลังใจไหมก็มีกําลังใจใช่ไหมมีกําลังใจที่สุดเดี๋ยวก็ทําได้เอานั่งสมาธิแล้วนัง่งฟังธรรมมักเผลอหลับบ่อยๆมีวิธีแก้อย่างไรบอกไว้แล้วเมื่อกี้แปดวิธีนีนั่งสมาธิสักพักจะตึงที่หัวคิ้วและศรีรษะจะแก้อย่างไรอ๋อนิเพก แสดงว่าเพ่งแรงเกินไปเกร็งเพ่งด้วยเวลาเวลาเรากำหนดบางทีแทนที่เราจะการเจริญอนานาปาญสติเนี่ยยิ่งเจริญยิ่งเบ า, ย, เบายิ่งสบายนยยิ่งเบายิ่งสบายแค่นั้นถ้าเจริญไปแล้วมันยิ่งตึงอันนี้แปลว่าถูกต้องไหมแปลว่าเรากำหนด เรากำหนดไม่ดีนะหมดแล้วปัญหามีใครจะถามอะไรไหมถ้าไม่มีใครจะถามเดี๋ยวจะบอกอธิบาย ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัตินะสักเล็กน้อยนะพระพุทธเจ้าแสดงเขาไว้ว่าการมาฉันทะนี่เป็นอันตรายต่อสมาธิการมาฉันทะความติดใจใยกรสันเนี่ยความอยากความล้านลนทั้งหลายเป็นอันตรายต่อสมาธิเนคข ม, มาเนี่เป็นอุปการะต่อสมาธิอะไรคือการมาฉันทะ กรารมาชันท่านี่เป็นนิวรณ์นะเป็นเครื่องกั้นขัดขวางไม่ให้บรรลุคุณวิเศษดังนั้นการที่เราจะได้ขณิการสมาธิอุปจาระสมาธิอปนาสมาธิได้ชานเนี่ยได้สมาบัติทั้งหลายหรือได้วิปัสสนาญาณเนี่ยไอตัวการมาชันท่นเนี่ยเป็นอันตรายต่อสมาธิฉะนั้นความติดใจทั้งหลายไม่คอยขัดขวางไม่ให้บรรลุเลยเนี่ยถูกเบียดเบียน ด, ด้วยกลุ่มนิวรณ์เหล่านี้ มณีวอเหล่านี้เกิดขึ้นจะเกิดความมืดมัวไม่รู้สึกตัวจะออกไปกับสิ่งเหล่านั้นได้เพราะฉะนั้นท่านว่าเนคข ม, ม้าเนี่ยเป็นเครื่องนําออกจากการมาชันท่าของพระเดียเจ้าทีนี้ให้สังเกตบอกว่ า, วาพอถูกการมาชันท่ากีดขวางนี่แหละผู้ที่ถูกการมาชันท่าครอบงําก็ไม่รู้แจ้งในเนคข ม, ม้าซึ่งเป็นเครื่องนําออกถามว่าเนคข ม, ม้าได้แก่อะไร เนคคำมะโดยศัพท์แปลว่าการออกบวชนี่เราออกมาแล้วนี่มันด้านกายอย่างเดียวแต่เนคคำพระที่จะพึงประสงค์ก็คือตัวปฐมฌานนะั้นยังไม่ถึงตัวพระนิพพานก็ยังไม่ถึงตัววิปัสสนาญาณก็ยังไม่ถึงแต่ที่ควรให้เกิดขึ้นเดี๋ยวนี้ขณะนี้ก็คือกลุ่มกุศลทั้งหลายตัวกุศลและฉันทะนี่แหละนะตัวฉันทะ ความรากักความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะเกิดขึ้นนี่แหละก็จะเป็นปัจจัยต่อการที่จะทาให้กามาฉันท่าเนี่ยกามฉันท่าเนี่ยอ่อนกำลังหลงนั้นความพอใจก็คือความพอใจความใฝ่รักในการที่จะเจริญยังกุศลให้เกิดขึ้นเพราะเวลาตัวกรารมาฉันท่าเกิดขึ้นมาเนี่ยมันเป็นอกุศล แต่เวลาเราทำตัวกุศลละฉันทาเกิดขึ้นอันนี้เป็นตัวเนคขมา้ามันจะนำออกจากการฉันทะตัวกุศลละฉันทาเวลาเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยมันจะเป็นความใคร่หรือความปรารถนาที่จะเจริญอานาปนสตินั้นให้ดีเพราะเกิดความรักความปรารถนาอย่างแรงกล้าตรงนี้เกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยจิตก็จะมีความตั้งมั่นฉันทะ มันจะเกินปัจจัยเกิดปลามโมดจะเป็นปัจจัยเกิดปีติเป็นปัจจัยเกิดความสงบแล้วก็เป็นปัจจัยเกิดความสุขและสมาธิจะตั้งฉะนั้นกําลังของสมาธิก็จะตั้งเพราะกําลังของตัวกุศลและฉันทะนี่เขาเรียกกัตโตกามยาตาฉันทะความปรารถนาที่จะทําและต้องการจะทําสิ่งนี้ให้ดีและทําให้ติดต่อและให้ต่อเนื่องนี้เป็นต้นนี่นี่ตัว ตัวกรรมมชันทะทีนี้ตัวกรมตัวเนกขมมะเนี่ยต้องมาสังเกตให้ดีว่าทาที่เป็นเครื่องออกจากกรรมเนี่ยสิ่งที่เป็นอุบายหรือเป็นทางออกจากกรรมเนี่ยถ้าในที่นี้ขับเน้นตัวกุศลไม่ใช่ขับเน้นตัววิปัสสนาญาณก่อนขับเน้นตัวกุศลฉะนั้นเมื่อกุศลเกิดขึ้นตัวกุศลก็ลักษณะที่ อนนาวช้คือไม่มีโทษของเสียก็จะไม่มีใช่ไหมตัวปลุกเร้าให้กุศลเกิดขึ้นลักษณะจิต ท, ที่ไม่มีโรคลักษณะจิต ท, ที่เป็นไปกับความสุขและจิต ท, ที่เป็นไปกับยานปัญญาในขณะนั้นเมื่อกุศลเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยก็เช่นสติเกิดขึ้นก็ความระลึกได้สัมปชัญญะความรู้สึกตัวเกิดขึ้นตอนนั้นก็เกิดขันติ ความอดทนเกิดความสงบเสงี่ยมเกิดขึ้นความละอายต่อบาปความเกรงกลัวต่อบาปความกตันอยู่ต่อการในฐานะเป็นพุทธบริษัทที่จะต้องปฏิบัติตามคําสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ารู้คุณและปฏิบัติลักษณะอย่างนี้ก็คือกลุ่มกุศลธรรมเหล่านี้เกิดขึ้นเมื่อกุศลธรรมเหล่านี้เกิดขึ้นตัวกรมะชันท่าเนี่ยมันเป็นอันตรายต่อสมาธิแต่กุศลก็เลยเป็นอุปการละต่อสมาธิสมาธิก็จะตั้งมั่นได้งา่าย เนี่ยอาศัยเนคขมานี่แหละนีอาศัยเนคขมานี่แหละเป็นตัวที่ทำให้เกิดออกจากกรรมมาฉันทาเป็นต้นได้ทีนี้พยาบาทนี่เป็นอันตรายต่อสมาธิไหมพยาบาทเป็นอันตรายต่อสมาธิความโกรธที่เป็นนิวร น, นี่แหละความขุนใจความไม่พอใจบางทีมันไม่ได้แสดงออกมาจากสีหน้าหรอกแต่มันขุนใจ มันขุนใจมันรู้สึกขุนไม่สบายใจนี่ก็เรียกว่าพยาบาทนะไม่ใช่หมายถึงไปอาฆาตมาดร้ายคนอื่นแค่ขุนใจทุกข์ใจหงุดหงิดใจในขณะที่จะทำเนี่ยเดี๋ยวมแมลงมาจับบ้างใช่ไหมเดี๋ยวยุงมาไต่บ้างมดมาต่ยบ้างเนี้ยนะหรือกําลังทําอยู่เนี่ยแอ้มันไม่เย็นบ้างนั่งไปขัดเครืองบ้าง ลำคาญคนนั้นบ้างไม่พอใจคนนี้บ้างเป็นไหมบางทีมานั่งนั่งอยู่เนี่ยบางทีแค่อยู่ด้วยกันเนี่ยไม่พอใจบ้างเห็นหน้าคนนี้เดินมาทีไรกรรมฐานพังทุกทีเลยคือเป็นไอเงี <c> ้ย <oughs> อันอนี้เขาเรียกพยาบาทมันเป็นอันตรายต่อสมาธิจิตมันไม่สงบจิตมันไม่เยือกเย็นจิตไม่เยือกเย็น เป็นไม่เป็นที่นั่งเนี่ยคันยิบยิบยิบยิบยบหูดหงิดเนี่ยเยแค่นี้นเป็นอันตรายต่อสมาธิแล้วบางทีก็มาฟังฟังแค่เจอพระพูดนี่ก็ไม่สบายใจแล้วเอาอย่างสมมุติว่าท่านมหาอานาจก็ฟังพาสวดมนต์ไปใช่ไหมสวดสวดไปสักพักหนึง่งอา้าพอบอกว่ า, าถึงเวลานี้นั่งพอพระจะพูดสักหน่อย ลำคาญอีกแล้วเอ๊ะจะให้เรานั่งหรือจะให้เราฟังอะไรเงี้ยนะไอ้ตรงนี้เขาเรียกพยาบาทเป็นอันตรายต่อสมาธิอย่าให้เกิดอาวิธีไม่ให้เกิดทำยังไงสมมติว่าท่านพูดอาวิธีคิดทำไงต้องทำอพยาบาทนี่เป็นอุปเมตตาเนี่ยเป็นอุปการะต่อสมาธิต้องเมตตาท่านเมตตามีความรักความปรารถนาดีความเบื่อทอน ใช่ไหมนึกขอบคุณโอ้ยขอบคุณท่านมากท่านอุตสาหอยู่นู้นน่ะยันอ่างทองยังยังสัตตหะมาสอนเราเนี่ยเออเนี่ย ท, ทั้งทั้งที่เราก็ไม่ได้เป็นญาติโกโหติกาเลยเลยใช่ไหมโอ้โหท่านยังอุตสาหมานําเราทําวัดสวดมนต์เลยมาพาสอนเนี่ยคิดอย่างงี้เมตตาเกิดไหมเกิดเกิดอย่างนี้ไหม คือถ้าเราไปคิดอีกมุมเ อ, อ้ยยิ่งท่านพูดมากมากเนี่ยดีไมด่ดีดีเราจะได้รู้ไงและไอ้ที่งดเงีย น, น่ะเวลาเขาให้ไปพูดพูดได้ไหมอ่ะพูดไหมไม่พูดพูดไปทั่วเลยนจะว่ยตรงเนี้ยต้องมีอภยาบาตพยาบาทเป็นอันตรายต่อสมาธิส่วนเมตตาเป็นอุปการะต่สมาธิความไม่พยาบาทเนี่ย ความหมายที่แท้จริงของคํานี้ก็คือเมตตาเมตตาเขาเรียกหวังดีหวังดีเอนดูรู้สึกเป็นมิตรคําว่าเมตตามาจะคําว่าอะไรมิตรตะยอมเขียนได้ไหมคําว่ามิตตะเนี่ยมอม้าสระอีตอเต่าแล้วก็ต่อเต่าสระอะมิตตะเอาสระอีมาเป็นสระเอเอาสระอะมาเป็นสระอาแปลว่าอะไร ก็คือเมตตาเขาแปลว่าคุณธรรมของมิตรไอ้คุณธรรมของมิตรก็คือมองทุกคนเนี่ยให้เป็นมิตรให้เป็นเพื่อนให้เป็นกัลยาณมิตรให้เป็นมิตรของเราเออถ้ามิตรยามิตรที่เขาปกติเนี่ยเราควรคิดต่อมิตรยังไงยามิตรปกติควรคิดต่อมิตรยังไงก็เมตตาไงรักปรารถนาดี ถ้ามิตรหรือเพื่อนเนี่ยตกต่ำย่ำแย่ควรยังไงก็การุณามิตรไงการุณาสงสารคิดจะช่วยปราตันาช่วยให้พ้นทุกข์ใช่ไหมถ้ามิตรประสบความสำเร็จก็พอยยินดีกับมิตรยามยามิตรที่เขาจเจริญกรรมาฐานของเขาเองได้แล้วควนขวายเองได้ทำได้ยังถูกต้องก็วางใจเป็นกลางเฉยมองอยู่ เห็นไหมว่าจริงๆแล้วเนี่ยผู้ปฏิบัติเนี่ยมองทุกคนเป็นมิตรหรือไม่เป็นเป็นไหมเอาแล้วมองพ่อแม่เราเป็นมิตรเราไหมเป็นหรือไม่เป็นเอามองคนที่มานั่งปฏิบัติทั้งหมดเป็นมิตรไหมเป็นไหมมองพระเป็นมิตรไหมเอามองที่คนเขาประท้วงกันเย้ยวเยยวเป็นมิตรไหมเป็นหรือไม่เป็น นี่เริ่มไม่เป็นแล้วเหมที่จริงก็คือมิตรมิตรเกิดเหมือนกันเขาเกิดแก่เจ็บตายเหมือนเราไหมมิตรเกิดมิตรแก่มิตรเจ็บมิตรตายก็เพื่อนเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันเท่านั้นแหละแต่ทําไมไม่มองเขาเป็นมิตรแล้วตอนนั้นน่ะมิตรเขากําลังย่ําแย่เรากรุณาเขาลืมนุติตาเขาลืมเมตตาเขาก็กรุณาเขากรุณาเขากรุณามิตรอย่างนี้เป็นต้น เห็นไหมว่าเพราะเราเนี่ยไม่เข้าใจคุณธรรมของเมตตาไงจงมองทุกคนให้เป็นมิตรใช่ไหมฉะนั้นเวลามองพระก็มองเป็นมิตรโดยความเป็นกัญยาณมิตรให้กับเรายามท่านปกติก็เมตตาท่านไงถ้าท่านเดินเดินไปท่านหกล้มตูมก็กรุณานะไ อ, อ้ทำยังไงจะช่วย ถ้าท่านจเจริญกรรมฐานโอ้โหสามารถยังคุณวิเศษให้เกิดขึ้นก็มุทิตาไงโอ้ยพลอยยินดีชื่นชมสนับสนุนและท่านกำลังขวนขวายในการทำกิจของตนเองอย่างเต็มที่อย่างต่อเนื่องก็วางใจเป็นกลางมองดูแล้วก็เฉยอยู่หรือเกิดท่านประสบะวิบา ก, กรรมหนักหนัก จะต้องตกละกรรมลำบากเราไม่อาจจะช่วยเหลืออะไรได้แล้วก็วางใจเป็นกลางว่าสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นทรัพย์สมบัติของตนเองถ้าวางใจอย่างนี้พยาบาทหมดหรือไม่หมดหมดไหมพยาบาทจะไม่เกิดแล้วสมาธิจะเกิดไหมอ่พยายาทคือความไม่โกรธก็จะเกิดขึ้นก็จะเป็นอุปการะต่อสมาธินั่นอย่าแปลกใจว่าเวลาเราจเจริญกรรมาฐานมันทํำไมไม่ขึ้นบางทีเราหงุดหงิดกับไอ้สิ่งแวดล้อมนี่แหละเยอะ เป็นไม่เป็นเนี่ยไม่ไม่ขึ้นพุะรัาบอกเมตตายาภิกะเวเจตุมิตรยาเสวิตายาบาวิตายาบุริกตายาญาณิกตายาวัุกตายะอนุเิตายาปริกิตายาสุสมารถายาเอกาทิสังสัปปิการคาคะตเมเอกาทัสสะสุขขังสุปฏิสุขขังปฏิปัจจิตินภาระกลงสปีนางปฏิสติมนุสานางปีโยติอมนุสานางปีโยติเป็นต้น พระราบอกว่าพิกษู่ทั้งหลายเมตตาเจมตดวมุทิบุคคลจเจริญแล้วก็ทำให้มากแล้วเนี่ยทำให้เป็นที่ตั้งมั่นประกอบด้วยสมาธิอยู่เสมอจะได้อานิสงส์1ประการนะหลับเป็นสุขเห็นไหมว่าเวลาจเจริญอาณาปณะสติเนี่ยจิตจะอ่อนโยนได้ง่ายแล้วต่อไปน้อมไปที่เมตต า, าเมตตาเกิดได้ง่ายน้อมไปที่กรุณากรุณาเกิดได้ง่ายน้อมไปที่มุทิตามุทิตาก็เกิดได้ง่าย น้อมไปที่อุเบกขาอุาเบกขาเกิดได้ง่ายนี่แหละอาานาปนสติเนี่ยเวลาฝึกได้จนชำนาญแล้วเนี่ยจะน้อมเข้าไปในกรรมฐานอะไรก็ชำนาญ น, น้อมไปในอสุภะก็ได้น้อมไปในสิ่งที่เมตตาก็ได้นี่ขนาดนี้ยกตัวอย่างเช่นนะอายกตัวอย่างนะอ่ะถ้าเนี่ยพระก็ดีหรือใครก็ดีถ้าเจริญเมตตาเนี่ยนะเออเจริญอนาปนะจนชำชองแล้วนะพอมองไปที่โยมไนหะ จะมองให้เป็นอสุภะก็ได้ผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อนในกระดูกไตหัวใจตับปอดไส้ใหญ่ไ ส, ส้น้อยเห็นก็จะเกิดความว่าโอ้ไม่งามหรือจะน้อมไปเมตตาก็ได้โอ้มีความรักปรารถนาดีเอื้ออาทรเห็นไหมหรือจะน้อมไปให้เกิดจรุณาก็ได้น้อมไปให้เกิดมุทิตาก็ได้น้อมไปเกิดอุเบกขาก็ได้นี่ขนาดนี้นะหรือจะน้อมไปในกรณีที่จะไปเจริญจั ด, ดูาธาตุก็ได้ คือพิจารณาธาตุดินธาตุน้ําธาตุไฟธาตุลมก็ได้นี่จะน้อมในการจะเดินสมถาวิปัสนาไปได้หมดเลยนี่แหละคือพลังของอาณาปณะสติเป็นอานิสงส์ด้วยอยากจะเจริญได้ไหมล่ะถ้าเจริญได้เนี่ยโยมจะใช้จิตที่ฝึกไปกรรมฐานทุกกรรมฐานคร่องแคล่วหมดเลยแล้วจะน้อมไปให้ไม่งามก็ได้น้อมไปหเห็นด้วยความเป็นเมตตาก็ได้ นี่ขนาดนะั้นจะน้อมไปในพุทธคุณก็ได้ธรรมคุณก็ได้สังคคุณก็ได้แต่ตอนนี้น้อมไม่ไปนะเนี่ยไปไม่ไปน้อมไม่ค่อยไปเราดึงขเยขเยื้อเขยื้อไม่ไปเพราะจิตมันแข็งจิตมันแข็งมากใ ห, ให้สังเกตดูนนะกรรมฐานอื่นเนี่ยลากไปที่อื่นไม่ไปหรอมันจะอยู่ในกรรมฐานเดียวแหละเป็นหนังสเต็กเนี่ยเด้งปึก๊กเด้งปึกอยู่นี่แหละใช่ไหมก็คือมันจะอยู่แค่กรรมฐานเดียวก็ล็อกกอดกรรมฐานเดียวอยู่นั่นแหละ แต่อาณาปณะไม่เป็นอนาณนาปณะนี่จะน้อมไปในกรรมฐานไหนไปได้หมดเลยแล้วจะน้อมจิตให้เป็นไบกรกุศลได้ทุกเรื่องน่าชื่นใจไหมนี่อาณาปณะดีอย่างนี้แหละอธิมาพูดมาเนี่ยถือว่านี้เดียวที่พระพุทธเจ้าเนี่ยสรรเสริญไว้มากมายนะเพราะมาไม่สามารถจะมีปัญญาเท่าพระพุทธเจ้านี่ใช่ไหม ที่จะสามารถพลรนาเห็นว่าความวิจิตพิสดารของอนาบนาได้แต่ถ้ายอมเจริญหรือฝึกได้อย่างแท้จริงโอ้โหมหัศจรรย์มากเลยหลับเป็นสุขตื่นเป็นสุขไหมอาคนมีเมตตาจิตให้ตื่นเป็นสุขไหมฝันร้ายหรือฝันไม่ร้ายอาคนหลับเป็นสุขคือเป็นยังไงอ่ะหลับหลับ ตื่นเป็นสุขเป็นยังไงเอา้าตื่นขึ้นมาไม่น่าเนียวคิ้วขมวดยอมเวลาตื่นขึ้นมายอมหน้ายุ่งไหมยุ่งไหมหรือเวลาตื่นขึ้นมาปุ๊บเนี่ยอยอมยมยิ้มตื่นขึ้นมาเลยไหมที่มาปฏิบัติธรรมเนี่ยยิ้มไหมเวลานอนหลับก็เหมือนคนนอนยิ้มอะ่ะยอมยอมเคยเห็นคนตายยิ้มไหมเคยเห็นไหมที่เขาตายแล้วขนาดมองดูยังยิ้มอาตมาเคยเจอเนอะ ไปเจอโยมคนหนึ่งอามายังถามเอ๊ะโยมตายจริงหรือไม่จริงเนี่ยเขาบอกตายแล้วเพราะเป็นโยมผู้หญิงไงอมายเอ๊ะทำไมยิ้มอย่างเงี้ยเนี่ยมาเป็นพระไปเอ๊ะโยมตายจริงหรือเ่าเนี่ยตายจริงท่านตายหลายวันแล้วด้วยเอ๊ะทําไมหน้าตายโยมยิ้มอย่างเง้ยแหะอยู่ในโรงเนียิ้มเปิดโรงเนี่ยยังยิ้มจะเข้าเผาอยู่แล้วไงอมาก็าบอกเอ๊ะทำไมทำไมยิ้มอ่ะก็สืบไปสืบมาอ๋อโยมเป็นคนมีเมตตา เมตตายอมอยากให้ศพยิ้มไหมอยากให้ศพยิ้มไหมล่ะเออตายแบบแล้วก็คนเห็นก็พอเห็นปั๊บมลยเขาพังหะเลยเนี่ยไม่ไม่ชอบไม่ดีเหมือนกันใช่ไหมนีม่กันคนที่เจริญเมตตาเวลานอนเนี่ยยิ้มเดียหน้าก็ยิ้มยอมกลับไปก็บอกลูกก็ได้บอกคนอื่นก็ได้อ้ดูหน้าแม่หน่อยสิ ฝึกมาอนาปณ ะ, ะมาเจ็ดวันแล้วดูทีนอนยิ้มบ่ให้ให้ให้ลูกถ่ายรูปเขาไว้มาดูคิดว่าจะยิ้มมะคิดว่ายอมคิดว่าจะนอนยิ้มมะกัดฟันกรอดกรอดนี่แปลว่าเป็นอันนั้นไม่ใช่แล้วกำลังไม่ใช่เมตตาและโทสะกินหลับก็เป็นสุขตื่นก็เป็นสุขและไม่ฝันร้าย แล้วก็เทวดารักษาเนะีเป็นที่รักของมนุษย์เป็นที่รักของอมนุษทั้งหลายเป็นต้นไฟสัตราอาวุธทั้งหลายก็ไม่สามารถที่จะกล้ากลายเป็นต้นด้วยเออมากินเวลามาเยอะเลยนะพอดีเดี๋ยวเลื่อนเวลาไปแล้วก็เพราะว่าตอนตอนคืนไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้บรรยายเดี๋ยวให้ท่านมหาพาปฏิบัตินะพาปฏิบัติอาจจะสงสัยอะไรก็เล็กน้อย แล้วก็มีทีนามิธาพยาบาททีนามิธาพูดไปแล้วส่วนอะโลกสัญญาเนี่ยเป็นอุปการะต่อสมาธินะอโลกสัญญาเนี่ยเป็นอุปการะต่อสมาธิทีนามิทานี่เป็นอันตรายนะไอ้ความง่วงความเติมทั้งหลายเนี่ยถ้ากําหนดแสงสว่างอุทธจารความฟุ้งซ่านเนี่ยเป็นอันตรายต่อสมาธิไหมเป็น ส่วนอวิเขปะก็คือเอกขตาจิตหรือสมาธิเนี่ยอันนั้นเป็นอุปการะต่อสมาธิวิจิกิจฉาความลังเลสงสัยก็เป็นอันตรายต่อสมาธิความกำหนดแน่ลงไปเนี่ยความมั่นใจลงไปในศึกขาสามมั่นใจในคุณของพระเจ้าจะเป็นอุปการะต่อสมาธิอย่างนี้เป็นต้นเนาะส่วนรายละเอียดเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกที เอาแล้วเดี๋ยวแผ่เมตตกันหน่อยอะหังสุขิโตโหโมิขอให้ข้าพเจ้าจงเป็นผู้มีความสุขเถิดอะหังอเวโรหโหมิขอให้ข้าพเจ้าอย่าได้มีเวรต่อใครๆเลย อาหังอพยาปโชโหโมีขอให้ข้าพเจ้าจะได้มีจิตคิดพยาบาทอาฆาตปองร้ายเบียดเบียนซึ่งใครๆเลยอาหังอานีโคโหโมีขอให้ข้าพเจ้าจะได้มีความทุกข์กายทุกใจเลย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 รักษาตนให้พ้นจากอันตรายทั้งหลายทั้งปวงเถินให้น้อมจิตในการที่จะแผ่เมตตาจิตให้กับเพื่อนที่ประพฤติปฏิบัติโยคีผู้ประพฤติปฏิบัติ ด, ด้วยกันนะตลอดถึงผู้ที่เกี่ยวข้องผู้ที่อุปการละนาสถานที่แห่งนี้ทั้งหมด น้อมจิตให้เป็นเมตตามีความรากักความปรารถนาดีความเอื้อทอนแบบจับจิตจับใจนี่แหละให้คิดไปให้เมตตาออกไปด้วยไม่ใช่คิดแต่แค่แค่จิตที่คิดแต่ให้มีความรากักความปรารถนาดีเอื้อทอนออกไปขอใหสัตว์เหล่านั้นจงเป็นผู้มีความสุขปราศจากความทุกข์มีจิตใจเบิกบานปรารถนาทราบปรารถนายศปรารถนาความสุข ให้สมปราถนาในที่ทุกสถานในทุกท่านเถิมให้ละลืกไปอย่างนี้น